ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทมวัดเช้าเรื่องทาอันเป็นที่อยู่ของพระอริยะโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่11กรกฎาคม2525ณ 25, พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ในบัด น, นี้ค่ะ กันต่อนะการศึกษาการเรียนอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าผู้ใดมีมานะมีการยังมีตัวตนยังถือตัวถือตนเรียนไปเรียนไปก็ฟังไปก็ได้แต่รู้และมันก็ไม่อยากจะทําอะไรเพราะว่ามันถือตัวตน ถ้าผู้ใดที่ไม่ถือตัวตนก็จะเกิดอาการปฏิโดยเฉพาะสุดท้ายไม่ใช่ปฏิเสวนาคือการฝึกตนอยู่เท่า น, นั้นแต่จะถึงขั้นปฏินิสักขะคือสลัดคืนได้ทันทีเปลี่ยนตัวได้ไวกลับได้ทันทีเพราะมันไม่มีอะไรขั้นมันไม่มีอะไรต้านไว้มันไม่มีอะไรดันไว้ทีนี้จิตของผู้ที่มีมานะมากนี่ ฟังทำเนี่ฟังรู้ดีรู้ดีและยิ่งอยู่กับหมู่มากๆเห็นหมู่มากๆเขาก็ปรับปรุงนะบางคนนี่เป็นพวกปฏินิสักะอย่างที่ว่าคือพอฟังรู้อุ้ยกลับเลยอ่าบอ่าอย่างนี้ไม่ดีอย่าทําเลยไปทําอย่างนี้แล้วก็ทําจนเปลี่ยนไม่ให้เห็นเห็นเลยคนที่มีมาน่านี่เห็นคนเปลี่ยนทันทีปั๊บอย่างนั้นหมันไส้เลย นี่ไอ้นี่หัวอ่อนไอ้นี่นแอ็มันไสไหนพูดปั๊บเปลี่ยนเลยเนี่ยฟังดีๆนะเป็นลักษณะจริงของมนุษย์คนไหนมีคนนั้นมีอ่ ะ, อะบอกให้อ่าก็เขาเปลี่ยนได้ทันทีมันดีอ่ะฟังธทำแล้วมันชัดฟังทำแล้วมันจริงจริงถ้งตงาตอนนี้เขาจะเกเรเขาจะเลอะเทอะเขาจะด่างพร้อยหรือว่าเขาจะไม่ดีไม่งามตามที่ได้รับรู้ทันทีเนี่ย แต่แรกก็ก็ปรับปรุงเลยทันทีเห็นเลยว่ามันถ้าคนที่ปฏินิสัคะได้นี่นะเป็นคนที่สลัดคืนกลับเปลี่ยนเปลี่ยนกลับจากที่มันเร็วมันมากอ่ะเปรียบได้โดยโดยโดยจริงๆแล้วก็มีอินทรีย์มีพระละด้วยมีแรงใจมีแรงในฝืนแล้วบางทีมันไม่ฝืนหรอกมันเปลี่ยนได้เลยทันทีมันเบามันง่ายมันมีอินทรีย์พระละจริงๆรศรัทธาเต็มเป็นสตินรีนาวิริยินทรีย์มีพร้อม สตินซีตัวเองรู้ตัวดีปรับทําทันทีสมาธินซีแข็งตั้งมั่นได้เลยเพราะปัญญินซีก็รับได้อย่างเจ๋งชัดมากเกินมันมีน้ําหนักพร้อมเป็นอินทรีย์เป็นพละกลับเปลี่ยนปรับเลยทีนี้คนที่ทเชื่อฟังเนี่ยคนที่มีมานะเนี่ยแม้ตัวจะมีปัญญาดีรู้ดียังไงพอเห็นคน เ, เห็นเพื่อนยิ่งอยู่กับเพื่อนมากๆหลายหลาคนเพื่อนบางคนเป็นอย่างที่กล่าวนี่ ยิ่งมันไส้ยิ่งตัวเองยิ่งไม่ฉันไม่ทำอะเรื่องอะไรโง่เป็นธาตุสื่อเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้มานะนี่มันเลวร้ายจริงๆตัวมานะนี่เลวร้ายมากไม่เปลี่ยนไม่ทําตีกลับอีกจะย้อนแยงจะคานจะอะไรแข็งดื้อกระด้างลงไปเป็นธรรมภะสารพ ะ, ะดือ้อโยจริง อะไระอะไรลงไปก็ยิ่งเป็นมานะอติมานะมะะัทประมาทะจะเห็นได้ว่ามันเข้าล็อกของกิเลสอุปกิเลส ข, ของพระพุทธเจ้าอย่างเจ๋งที่สุดอย่างชัดที่สุดเลยอาตมาเรียนรู้มานะจากพวกเรานี่ไม่ได้เอามาจากตำรานะที่เอามาพูดซ้อนผููซ้ำพูดอะไรไวน้นี่เพราะเห็นจริงเรียนจากพวกเราเนี่ย เออนะสอนหมายให้ดียิ่งกลับเร็วลงร้ายไปอีกด้วยกิเลสแล้วก็เห็นข้าลาะของพระเจ้าอุปกิเลส16เนี่ยาตมาสอนมาพยายามแนะนำอธิบายมาโอ้โหเห็นมันชัดแสนชัดที่สุดเลยแล้วมันมีหลายหลายเหลี่ยมหลายวิธีการหลายเล่หลายเชิงหลายอันมากทั้เห็นว่ามานะสังโยชนี่เป็นตัวร้ายแรงเป็นตัว ยิ่งใหญ่ทั้งหยาบทั้งละเอียดแม้จะได้ดิบได้ดีโดยได้สังโยชตต่ํามาแล้วพอประมาณหรือมากหรือหมดพ้นสังโยชตต่ําอย่างหมดแล้วก็ตามก็ยังเห็นอยู่ในลีลาของมานะสังโยชตในฐานสังโยชตสูงเนี่ยยังมากเลยว่ามันมีเชิงแปลกแปลกเชิงออัตมา ก, ก็พูดเสมอแนะแล้วก็ไม่เอา ตัวภาษาบัญจัตพวกของพระพุทธเจ้านี่มากากับบ้างโดยบอกไปตรงๆอธิบายเป็นภาษาไทยๆ ไ, ไปพูดกันให้รู้ตัวแล้พูดที่ฟังธทรรมเห็นว่าเป็นธรรมก็แก้ก็กลับก็เปลี่ยนแปลงก็ปรับปรุงนะมันก็พอๆกักับคนที่โง่ๆเสือเส่องๆไม่่อยรู้เรื่องก็ไปเปลี่ยนแปลง มันจะแรงยิ่งกว่า น, นั้นตรงที่ว่าผู้มีมานะเนี่ยผู้โง่โง่เซื่องเซืองนี่มันก็ไม่รู้จริงๆนินะมันซื่อมันก็เลยไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงพูดไปฟังไปมันก็ไม่ค่อยจะเข้าใจมันก็ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรช่วยจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงมันยังน่าสงสารทีนี้ผู้ที่มีมานะนี่รู้แสนรู้เสร็จแล้วตอกลิ่มตอกน้ำหนักให้ตัวเองตีกลับย้อนกลับไปอีกมนเลยเลยเถิดไปอีกฝั่งหนึ่ง แทนที่จะห่างไกลสวรรค์อยู่สักร้อยโยต์พอยิ่งมีน้ําหนักนี้ปั๊บพาวไปอีกร้อยโยต์ไกลออกไปอีกร้อยโยน์ถ้ายัางผู้ซื่อนี่มันร้อยโยตนมั น, ม, นมันไม่รู้มันเซอรม์มันก็ยังห่างอยู่ร้อยโยต์เท่าเดิมส่วนผู้ที่รู้แสนรู้นี่นาะมนตีกับไปต่อกแรงนี่แทนที่จะห่างร้อยโยต์อยู่แล้วปั๊บอีกทีห น, นึ่งเนี่ยมีภาวะต่อต้านพาไปอีกร้อยโยต์เป็นสองรอยโยต์เลยนี่มันสวยอย่างเงี้ย หรือมันแน่นเข้าไปจะว่ามันห่างออกไปหรือจะว่ามันแน่นเข้าไปก็เป็นเชิงความหมายแต่เป็นเชิงความหมายคือหนักยิ่งขึ้นเนี่ยมานะมันร้ายแรงกัสายเจโตตรงนี้นะเพราะงั้นยิ่งฟังธรรมนี่มันเกิดปัญญายิ่งผู้มีปัญญาฟังธรรมนี่ระวังมานะตัวนี้ให้มากๆนะระวังมันเกิดโดยที่มันไม่รู้ตัวหรอกผู้ที่มีกิเลสมันไม่รู้ตัว ผู้ที่รู้ตัวแสดงว่าไม่มีกิเลสรู้ตัวแล้วก็ปรับปรุงได้ก็ยิ่งไม่มีกิเลสก็ยิ่งเป็นผู้ที่เบาบางเป็นผู้ที่ดัดง่ายเป็นผู้ที่มีมุทุจิตเชื่องจิตอ่อนโยนจิตอ่อนละเอียดจิตแววไวปรับปรุงทันทีเมาะแม้แต่การปฏิบัติทางานงานการงา น, งานปฏิบัติทำแม้แต่การงานท้งอะไรอยู่ด้วยกันมันก็ไปด้วยกันมมันสอดคล้อง ทั้งธรรมะทั้งอของจริงที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันมันก็เป็นไปด้วยมรรคองแปดพร้อมพลังเลยทั้งคิดทั้งพูดจา้าทั้งการงานอาชีพความพยายามสติมันมีพร้อมและมันลงตัวสมบูรณ์ชีวิตของคนเราก็พระพุทธเจ้าท่านสิริรวมมาตั้งเป็นทฤษฎีมรรคองคปดแล้วมันอยู่ในนี้ทั้งหมดอยู่ในมรรคองค์8นี้ทั้งหมด เขาบอกว่าพระพุทธเจา้ายันยอดที่มีพระปัญญาที่คุณสูงสุดจริงๆเลยเข้าใจอย่างโอ้โหทะลุโลกจริงๆแล้วก็ย่นย่ อ, ยอลงมาได้อย่างแหมมันเหมาะเม้งที่สุดพราะพุทธเจ้าท่งยืนยันชัดเจนในปรินิพานสูงไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดมรรคองค์ดไม่เกิดพระพุทธเจ้าเกิดมรรคองแ์ดจึงเกิดรัดที่อื่นว่างจากมรรคองแปดมีรัท ของท่านเท่านั้นที่มีพุท ธ, ธะเนี่ยมีมรรคองแปดรัที่ที่ไม่มีมรรคองแปดว่างจากการรู้ทั่วถึงรัฐที่อื่นก็เป็นรัฐที่อื่นว่างจากผู้รู้ทั่วถึงท่านท้าทายถึงขนาดนี้ไม่มีมรรคองแปดไม่รู้ทั่วถึงปฏิบัติในตายไงก็ไม่รู้ทั่วถึงเพรา ะ, ะนั่นลือสีจีไพรที่ไม่ได้ปฏิบัติตามทางเดินทางตามมรรคองแปดนี่ไม่รู้ทั่วถึง ถ้าคุณฟังธรรมะฟังไปเรื่อยแล้วคุณจะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนหรือว่าที่มันถึงที่มันรู้ทั่วถึงเพราะอะไรเพราะว่า ป, ปฏิบัติทุกมุมทุกเหลี่ยมทั้งคิดทั้งพูดทั้งการงานทั้งอยู่กับโลกมีอาชีพมีอะไรแต่ไรและมันก็มีรายละเอียดอยู่กับวงการมนุษย์มันไม่ได้ไปอยู่ในสิ่งที่มันไม่มีสัมผัสมันไม่รู้เรื่องสังขารธรรมมันกลับรู้เรื่องสังขารธรรมและมีอำนาจจิตเหนือสังขารธรรม มีทั้งปัญญามีทั้งเจโตเป็นอุปโตภาคทวิมุตติทวิมุตติก็หมายความว่ า, วามันมันทําได้แล้วมันยังทาไม่ได้มันก็ต้องฝึกบทฝึกก็มีอยู่ในมรรคองแปดนั่นเองที่อธิบายกันแล้วกันเล่านี่ในองค์ธรรมอืนอ่นก็เอามาขยายมรรคองแปดทั้งนั้นแหละขยายให้รู้จักวิธีการรู้แม่ศีลสมาธิปัญญาแม้แต่สติปัฏฐานสี่โพธิปักขีธรรมเจ็ก็มาขยายมรรคองแปดเพราะมรรคอแปดเป็นหลัก หลักประพฤติหือหลักพฤติกรรมมนุษย์หลักความเป็นมนุษย์อยู่มีความเห็น้วยปัญญาที่เห็นนำให้แจ้งและการสํารวมสังวรระวังถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่สํารวมสังวรระวังสังกปะปะปาจากรรมันตะอาชีวะมีความพยายามมีสติพยายามก็สั่งสมลงเป็นจิตอันยิ่งเป็นสมาธิ จนเกิดการเห็นอย่างที่ว่าแล้วปฏิบัติไปเราจะเห็นตัวสภาวธรรมเห็นความเป็นได้เกิดสมายานะัยญาณะเป็นญาณเป็นปัญญาไม่ใช่ปัญญาคิดเหมือนตัวสมาธิิไม่ใช่ปัญญาที่จะไปรับรู้แผนที่รับรู้ความรู้มาก่อนเหมือนสมาธิิตัวแรกเพราะงั้นที่เข้ามาเถียงเถียงบางคนเขาเถียงว่าเกิดปัญญาก่อนแล้วค่อยศีลค่อยสมาธิไม่เถียงอย่าไปเถียง สมาัมมาทิฏฐิกับศีลเป็นรุ่งอรุณสิ่งที่มาก่อนพระทิศจะขึ้นคือรุ่งอรุณฉันใดศีลอันดีสมาธิฐิอันดีคืออันนั้นศีลอันดีสมาธิฐิอันดีคืออันนั้นก็คือรู้ด้วยทีนี้เขาเอาศียเขาสมาธิพระพุทธเจ้าท่าตรัสไม่ใช่เขาแหละท่านตรัสไว้ว่าศีลกับสมาทิฐิอันดีมาก่อนอื่น แล้บางคนก็เถียงว่าสมาธิธิมาก่อนศีลศีลมาก่อนสมาธิธแต่วุฒิเจ้าธรรมตรัสไม่พร้อมกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามการรู้เนี่ยมันมันต้องมีประกอบในการทํางานมีศีลโดยไม่มีสมาธิธิมันเละมีศีลเราจะปฏิบัติอะไรยังไงเข้าใจตัวเราเองว่าเราเอาศีลข้อนี้เอาหลักการข้อนี้มาปฏิบัติความหมายยังไงทําให้มันเข้าใจ มันต้องมีสมา ธ, ธิิมันต้องมีตัวรู้เราจะปฏิบัติยังไงมันถึงจะไปถึงจิตเป็นอธิจิตปฏิบัติยังไงมันถึงจะขัดเกลาปฏิบัติยังไงมันถึงจะได้ผลมันก็ต้องรู้มันต้องมีการรู้ปฏิบัติโดยเลดๆเตๆปฏิบัติโดยได้ได้ไปมันไม่ค่อยได้เลื่องหรอกมันเป็นศีลปัตประมาทพอปฏิบัติแล้วข hm. ัดเกลื you, ่อนจนทั่งดังกล่าวแล้วมาถึงสมาธิถึงจะมีสมาญาณจิตเป็นได้แม้ค่อยๆจางคลายก็ปัญญาตามรู้ นอกจากจางคลายแล้วเห็นนิโรธเลยดับได้นะตั้งมั่นแข็งแรงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วทีนี้สมุทเฉษเด็ดขาดก็มีปัญญารู้ตัวยานทัศนะหรือสมายาณ น, นี่เป็นตัวรู้ของจริงปัญญานี้ไม่ใช่ปัญญาคิดนึกปัญญารับรู้ปัญญาเราเรียนมาทางฟังทางปริยัตไม่ใช่สุตตามยปัญญาไม่ใช่จินตามยปัญญา แต่เป็นปัญญาที่เป็นตัวเห็นผลภาวนามยปัญญาคือเกิดผลลวปีปัญญาเห็นการเกิดผลภาวนามยปัญญาภาวนาะแปลว่าการเกิดผลภาวะภาวะมีภาวะมีสภาวะนั้นเราเห็นผลของสภาวะนั้นรู้ปัญญามันได้รู้ได้เห็นได้แจ้งได้ชัดมีของเราเกิดมามีจริงเห็นจริงเกิดสมาญาณนะ สัมมาวิมุตต์ก็เป็นการลงตัวสุดท้ายสมบูรณ์เพราะงั้นมันจะจางคลายมาหรือมันก็เป็นวิมุตต์มันก็เป็นวิมุตติสุดท้ายสัมมาวิมุตต์ก็คือวิมุตติยานทัศนะเป็นญานทัศน์อยู่พร้อมเป็นวิมุตต์อยู่พร้อมมันเห็นวิมุตต์อย่างนั้นจริงนะี่ครบองค์ผลสองสัมมาญาณนะสัมมาวิมุตต์เป็นอุปโตโ ภ, ภาของวิมุตต์เป็นผลสองกับสัมมาอริยมรรคองค์8 เราก็มากระทําจริงปฏิบัติจริงถ้าผู้ใดมีจิตไม่ต้านไม่แข็งกระด้างไม่กระด้างกระเดืองอะไรเป็นผู้ที่จิตอ่อนโยนเป็นผู้ที่จิตอ่อนละเอียดเป็นผู้ที่จิตเครื่องไม่ใช่เป็นคนที่ดูด่านอะไรแล้วง่าย พราะการมีจิตเป็นฌานที่แบบเป็นมุทุพูดมุทุพูเตกรมมณีเยทีเตอันนีชัพปเตเนี่ยมีลักษณะจริงมีลักษณะจริงเป็นจริงของคนว่าถ้าเราไม่เข้าใจสภาวธรรมหรือความหมายที่ชัดแจง้งเราก็ไปนั่งหัดสะกดจิตจิตของเราก็เชื่องขึ้นควบคุมได้มันก็อธิบายคลายกันซะด้วย แล้วก็ควบคุมจิตของเราไปนั่งหลับตาไปมันก็เป็นเหมือนกันคลายกันไปได้แต่ทีนี้ทางสัมมาสมาธิหรืออริโยสัมมาสมาธิที่จะเกิดสมาธิโดยปฏิบัติองค์เจ็ดของมัตต์มันก็ต้องไปจิตมุทุพูเตอย่างนี้เหมือนกันมุทุพูเตกรมมณิเยจิตสามารถจีควบคุมได้แม้ปฏิบัติด้วย การนึกคิดการพูดการทำงานอาชีพความพยายามสติก็ควบคุมนี่ฟังไปนี่คุณก็สร้างสมาธิไปเรื่อยๆเสร็จรแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามความเห็นที่ถูกทางถูกต้องนะได้เอาอาริยะวัฏ ส, สูตรมาขยายความเมื่อวานนี้ก็ได้เริ่มไปแล้วนะว่าทมเป็นที่อยู่แห่งอริยะ ทำเป็นที่อยู่แห่งอริยะเนี่ยที่พระอริยะอยู่แล้วก็ดีกำลังอยู่ก็ดีจัดอยู่ก็ดีแม้ตรงเป๊ะกับของเราเลยที่ทำได้แล้วทั้งกำลังทำอยู่และกำลังพาทำก็คืออันนี้เลยเนี่ยมันสบายมากเราไปตรงกับพระพุทธเจ้าเขาเป๊ะแล้ว ทั้งที่เราก็ยังไม่ได้เห็นอันนี้ด้วยยังไม่ได้ชัดจากอันนี้เนี่ยภิกษุพระอริยะจะมีทมเป็นที่อยู่แห่งพระอริยะคือมีเครื่องทรงหรือมีสิ่งรองรับอาศัยเป็นที่อยู่เนี่ยแห่งพระอริยะก็จะมีสิ่งอย่างนี้มีหลักสิบประการนี้เป็นเครื่องวัดดีๆนะเราก็จะได้เข้าใจที่พระอริยะอยู่แล้วก็ดีคือพระอริยะปฏิบัติได้แล้วนี่อยู่แล้วคือเราทาได้แล้ว กำลังอยู่ก็ดีกำลังทำอยู่หรือกำลังทรงอยู่กำลังเป็นอยู่ตามนั้นมีเครื่องอยู่ก็มีธรรมะกำลังมีธรมอยู่มีทำได้แล้วมีธรรมะได้แล้วกำลังทั้งกำลังมีธรรมะอยู่และกำลังพาสร้างธรรมะอย่างนก็ได้เดี๋ยวนี้ในนี้พระพุทธเจ้าท่านกตรัสว่าพระอริยะอยู่แล้วก็ดีมันได้แล้วมันอยู่แล้วกำลังอยู่ ก็ดีท่านใช้คำว่าอยู่กำลังอยู่อยู่แล้วกำลังอยู่จักอยู่ก็คืออดีตปัจจุบันอนาคตเท่านั้ น, นยอยู่แล้วเป็น past perfect เป็น p s t past perfect perfect tense มันเป็นสภาพที่มันเป็นสิ่งที่ผ่านแล้วและสมบูรณ์ละอยู่แล้วกำลังทำอยู่เป็น continue และเป็นอนาคตก็เป็นฟิวเจอร์มันก็เป็นสามลักษณะธรรมดาธรรมดานะทีนี้จักอยู่ต่อไปก็อยู่สิ่งที่มีแล้วสิ่งที่กําลังอยู่นี่มันก็เป็นฐานที่แน่นอนเพราะฉะนั้นอนาคตมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อสิ่งที่อาศัยเป็นสิ่งดีแข็งแรงมั่นคงมันก็ไม่ต้องสงสัยมันย่อมได้ แน่นอนนะถ้ามีเวลาจบสูตรนี้จะเอาอีกสูตรหนึ่งมาอ่านให้ฟังเป็นสิ่งที่บอกว่าพอจบแล้วไม่ต้องเจตนาไม่ต้องตั้งใจในเจตนาสูตรไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องเจตนาไม่ต้องอะไรไปเลยสบายแล้วมันจะทรงเป็นสภาพนั้นไปทีเดียวนะเอาทวนนิดหน่อยนะเมื่อผู้ที่เป็นพระอริยน่จะมีธรรมะที่เป็นอยู่ที่เป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยหรือเป็นที่อยู่ มีธรรมะที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของหรือแห่งพระอริยะที่พระอริยะจะอยู่แล้วหรือกําลังอยู่หรือจักอยู่ก็ดีนะมีสิประการได้อธิบายผ่านไปแล้วว่าอันที่หนึ่งเป็นผู้ทิละองห้าได้แล้วก็คือละนิวอนเป็นผุละองห้าได้แล้วคือเป็นผุละนิวอน เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะควบคุมได้แม้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตั้งอยู่นี้ใครมีนิวรณ์มั่งลองคิดดูสิใจของเรามีกลามไหมในขณะนี้ฟังทำอยู่เนี่ยแม้มันไปหากามเราเราเลยหรือไม่เอเราเราละยังอ่อนๆก็รู้ว่าเออมันมีถ้าใครไม่มีก็รู้ว่าไม่มีเนี่ยมันก็เป็นคณิกะสมาธิอยู่จริงๆอ่ะ หรือคุณทําได้บ่อยๆได้มากเมื่อไรเมื่อไรมนก็ได้เนี่มันไม่ได้ไปถูกกามรรมรานอะไรเป็นอุปจาระสมาธิแม้มันจะไม่แนบแน่นแนว แ, แน่ปักมั่นเมือม่อใดเมื่อใดก็มีจนกระทั่งถาวรขนาดนั้นก็ตามมันได้ขนาดที่ว่ามันได้นนี่แลหละเมื่อเราตั้งใจมีสติสัพปพปัญญาควบคุมดูแลแล้วมันก็ทําได้มันก็ว่างจิตปราศจากทิวล อ่านที่จิตเดี๋ยวนี้น่ะมันไม่ใช่ว่ามันเรื่องลึกลับอะไรเกินการไม่จะต้องไปนั่งหลับตาตัดทวานเข้าไปแต่ถ้าจะไปอ่านโอ้ยยิ่งอ่านยากนั่งหลับตาเขาไปตัดทวานเข้าไปแล้วไปอ่านว่าใจตัวเรามีกิเลสหรือเปล่ามีการมีพยาบาทสติและสัมปชัญญะในช่วงนั้นที่จะก่อเกิดปัญญายิ่งยากกว่านี่เดี๋ยวนี้ตื่นเติมเต็มนี่สติร้อยนะนอกจากใครจะรีใครจะฟุ้งซ่านก็เรื่องของคุณหรือใครจะถูกการอะไร พยาบาทอะไรดึงไปก็ตามก็เรื่องของคุณแต่ถ้าไม่คุณนั่งอยู่เดือนนี้นะ่ะสติร้อยๆยขณะเนี้ยคุณตรวจซินี่อ่านใจตนเองฟังไปก็อ่านมีกามหรือเปล่ามีพยาบาทหรือเปล่ามิถีน้มิทะหรือเปล่าถ้าคนไหนมีทีน้มิทาก็แน่นอนแล้วว่าก็ทีน้มิทาอยู่นั่นแหละมันก็ก็โง่ๆไปมันก็เสื่อมไปเขาเขาเรียนไปเขาฝึกตนไปพรางเรียนไปพราง เป็นคนที่ไม่มีกิเลสไปพรางปฏิเสวนาเสพคุนไปพรางแล้วได้รับปัญญาได้รับความเสริมหนุนอันแข็งแรงไปเรื่อยเรื่อยมันก็ได้อจะเห็นความทวีผลมันเป็นความทวีผลมันเป็นผลได้มันก็ได้ไอที่ไม่ได้ถูกผีมันดึงก็เป็นธาตุผีบริวารผีลากไปใช้ลากไปเป็นทีนามิตะนั่นก็คือมันลากไปใช้ในสายทีนมิตะลากไปในกามมันก็ใช้ลากไปใช้ในกาม หรือแม่พยาบาทส่วนอุทธจจะนั่นนะ่ะมันเป็นส่วนเก็บละเอียดขึ้นไปอีกของกามในบางทีมันก็ฟุ้งอยู่ที่กามพลิ้วพิวอยู่ที่พยาบาทพลิ้วพิวอุทจจะน่ะหรือมันก็ยังมีเศษลำเรืองลำเรืองของถีนมิทะพลิ้วพเิ็วเห็นไะ่ะเห็นฝอยของถีนมิทะ a ไม่ละ่ะบางคนอ่า ฟังธรรมในพอรู้มั่งนะเนี่ยมีสติพอได้ถึงเจ็ดปดสบอร์ซฟังธรรมพอรู้เ อ, อ้เห็นนี่ยังมีตัวอุทธะของถีนมิทะฟังให้ออกนะเออมันมีรีลาของอุทธะผิวๆมันไม่ได้เป็นสติเต็มร้อยมันก็ฟังธรรมพอรู้บ้างแต่มันก็ไม่สายเต็มที่เหมือนเรามีสติเต็มร้อยสัพพัญญะตั้งมัน่นเต็ม แล้วก็มีปัญญาอันโปรง่งฟัง ก, ก็พูดภาษาไทยยง่ายๆไม่ได้พูดอะไรลึกลับอะไรพยายามถ้าอันใดมันยากหน่อยมุมไหนมันยากหน่อยเหลี่ยมไหนมันชักจะยุ่ ง, ย, ง ย, ายากหน่อยก็พยายามที่จะคลี่ให้ตื่นคลี่ให้ง่ายเจตนาอย่างนั้นอยู่ทีเดียวมันก็รู้นี่นะไม่ใช่คนโง่จนเกินการเพราะงั้นถ้าเผือว่ามีสติสัพัญญะปัญญาธรรมดาฟังรมแล้วมันได้ทุกวันแหละ ซ้ำซากประจําจอะไรที่มีใหม่เป็นอัศุตังสุนาติมันก็เจริญงอกงามขึ้นทุกวันแหละแม้ที่กําลังพูดขณะนี้ก็เชื่อว่ามีแง่เชิงที่ใหม่แล้วใครฟังเนี่ยแนะนําแน่แต่ขณะนี้กําลังพูดถึงนิวรณ์เนี่ยเชื่อว่ามีใหม่เนี่ยที่พูดนี้รู้ไว้ว่ามีอะไรใหม่ขึ้นมาที่ตัวเองไม่ได้แนะเชิงสํานวนวิหารภาษาใหม่ขึ้นมาแต่ก็ภาษาไทยทุกคําเชื่อว่ารู้ทุกคําที่พูดมาเนี่ย ไม่ใช่ภาษาลึกๆอะไรคนทุกคนในที่นี้โตขนาดนี้ไม่รู้ภาษาที่พูดนี่คำไหนไม่รู้คํานี้แปลไม่ออกภาษาไทยช่วยแปลภาษาไทยคำนี้ให้ฟังหน่อยคําไหนไม่รู้เชื่อว่ารู้ทุกคำนะเพราะเรามาเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ฟังธรรมก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยในตัวทุกวนันทุกวันนีน้พาปฏิบัติฟังธรรมหรือทำบ้านนี่ปฏิบัติแต่ถ้าเผิดอว่าเราเป็นาธาตุผี แม้แต่นิวรณห้านี่เราก็ควบคุมมันไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบไปด้วยการละองห้าได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเป็นฌานทั้งสี่ก็คือการระงับนิวรณห้านี่ทำไม่ได้ เ, เวลาอื่นยังพอทําได้พอเวลามานั่งฟังธรรมนี่ไม่ได้ก็นี่แหละคืออาณาปานสติการมานั่งนิ่งตั้งกายตรงนลมสติคงมั่นแล้วฟังธรรม โดยการฟังธรรมไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆไปอีกนั่งเฉยๆไปนะั้นยิ่งรอจะเคลงไปอีกไม่ต้องฟังธรรมเลยนั่งเฉยนั่นรอจะไอเคลงไปอีกคือหมายความว่ามันยิ่งมีทิศทางที่ใกล้สภาพนิ่งไปแล้วมันถีนาะมิ้าจะกินง่ายกว่านั้นเพราะว่ามีการพูดมีเสียงฟังมีอะไรแต่ไรบางทีกระทุ่งกระแทบแม้ถูกกิเลสเราซะด้วยปังเข้าไปเอ้ยาบางทีวาบเล ย, ยงี้ด้วยซ้าไป ฟังแล้วมันก็มีอะไรต่ออะไรที่เตือนมีอะไรที่ได้รับความรู้สึกที่เกิดผลอยู่ก็ได้ไปเรื่อยๆเพราะงั้นบางอันเรานึกว่าเราไม่มีแต่เราก็รู้ไปฟังตามเนี่ยมันก็เทียบเคียงถึงอดีตเทียบเคียงถึงสัญญากําหนดระลึกเป็นบุพเพนิวาสานุสติเป็นในตัวมันก็ฟังว่าเทียบเคียงไปแม้เดี๋ยวนี้เราเป็นฌานอ๋อปั๊บมันถูกเลยเราเคยมีเราเคยมี มันตรงกันที่เราเคยมีแล้วมันมีมากจนรู้สึกเหมือนเดี๋ยวนี้เรามีแต่ที่จริงเดี๋ยวนี้เรายังไม่มีแต่ที่จริงเดี๋ยวนี้เราก็มีเป็นอาสวะเป็นอาสวะอยู่แล้วมันก็เทียบเคียงเก่าเราพูดไปนี่กระทบที่จริงในขณะนี้โดยเอาขณะของขณะเดี๋ยวนี้เราเป็นฌานในขณะของขณะขณะ น, นี้นี่เราเป็นฌาน แต่พอฟังทำไปมันมีบุเพนิวาสานุสติเทียบเคียงกับของเก่าเราเคยโอ้แม้เรามีบ่อยซะด้วยจำคนไหนที่มีบ่อยมีมากมีเสมอโอ้นี่เรายังปล่อยยังไม่ปล่อยเลยยังมีนะอาการนี้พูดไปแล้วมันตรงเราก็รู้เลยว่าโอ้ของเรายังมีหรือพูดไปแล้วมันไม่มีหรอกแต่จำได้ก็มีของบางคนอ๋อแล้วก็รู้ว่าเอออันนี้เราหมดแล้วถึงแม้ไม่หมดก็จะรู้เมื่อไปอินทรีย์พละเออเราหยุดเลิก พอฟังปั๊มันก็เลิกได้เลยเมื่อคุณมีอินทรีย์พละแล้วรู้ชัดแจ้งก็ปล่อยเดี๋ยวนี้จากนี้ไปเราจะไม่มีนี่ยเป็นผลของการฟังธรรมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฌานมีฌานเป็นพื้นฐานมีฌานเป็นที่ตัง้งมีฌานเป็นก่อนอื่นจะเกิดวิชาทั้ง9วิชา8ดนั่นเองฌานนี่นะเป็นวิชาข้อที่หนึ่งแล้วมันก็จะต่อตามไปมันจะเกิดไปเรื่อยๆจริงๆนะ เพราะงั้นก็คนจะต้องขยอนพยายามเข้าใจอ่านอาการอ่านอารมณ์ของเราว่าเรามีไหมการพยาบาทถีนะมิถะถ้าไม่มีอย่างนี้ก็เป็นฐานพ อ, พอไปได้แล้วได้บ้างแล้วถ้ายิ่งกําจัดอุทธจักรอุทธจักรที่มันทําให้เราลาคาญมันทําให้เรากังวลมันทําให้เราถูกดึงถูกถ่วงไปมากแสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพอันนั้นก็แล้วแต่ความหยาบก้านหรือความละเอียด ถ้าอุจจนิดๆนิดๆมันก็ไม่มีแรงอะไรทำให้เรากังวลลำคาญหรือว่าทำให้เราเสียผลในการทำการงานกรรมนิเย ต, ต่างๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นแค่กำลังทำการงานฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยการฟังธรรมเนี่ยแล้วเราจะบรรลุธรรมในการฟังธรรมก็ได้นะหลักในการบรรลุธรรม5ประการที่พระพุทธเจ้าทกลัดไว้ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วได้แน่นอนเงนั้นเราก็ฟังธรรมให้มันบรรลุธรรมไปด้วย เพราะเราทำการงานขณะนี้ฟังธรรมนี่ทําการงานกรรมนิเยก็เหมาะกับการงานเพราะจิตของเราขณะนี้ขณะแห่งขณะของเรามีฌานมันก็เหมาะในการทํางานไม่มีกิเลสแม้แต่เศษอุทจักก็ไม่ก่อกุกกุจจะอุทจักคือจิตที่ฟุ้งลอยขึ้นมานี่ที่เรารู้ว่ามันเกิดลอยมันไม่ได้อุทจักกุกกุจจะมันไม่ได้ทําให้เรารําคาญเรากังวลเราเสียหายมันไม่ถ่วงดึงอะไรให้เราเลวลงเราก็ได้ผลดี เพนกุกุศจ้นี่มีคุณค่ายาบกลางละเอียดแค่ไหนล่ะถ้ามันไม่ยากเรามันเหลือน้อยมันก็เป็นของขุนน้อยๆถ้ามันยากไม่แรงนีนี่โอ้โหลำคาญกังวลไม่เป็นสมาธิมันก็ไม่ใสไม่สะอาดทวงดึงให้เราเองจิตใจมันไม่เต็มมันก็เป็นจริงเศษอะไรล่ะเศษกลามเศษพยาบาทเสดธีนามิทกก็ตรวจอ่านอีกฟังให้ดีแล้วมันซ่อนก็อย่างเงี้ย จนคุณใสแจ๋งเลยหมดวิจิกิจฉาบอกโอ้ยจิตใสจิตเป็นฌานเป็นอย่างนี้ไม่สงสัยเลยหมดวิจิกิจฉาอ๋อจิตอย่างนี้เองนะไม่มีกุกกุจจะไม่มีการลาคาญไม่มีอะไรเลยจิตลอยก็รู้ลอยเป็นตัวอุทธะจัจจิตที่เป็นจิตลอยต้องปรับไปมันเรียบราบต้องปรับเป็นสมาเสมออีกจนเรียบราบจนจิตดีอ๋อ เกิดจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่รับฟังแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่รับฟังดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่รับฟังดับไปอย่างมีระบบระเบียบมีระดับอย่างดีผู้ใดละได้ชั่วคลาวละนิวรนาได้ชั่วคราวก็ดีแล้วผู้ใดละได้มากอย่างดีใหญ่ยยละได้ท้าวรก็ฝึกไปฝึกทุกวิธีที่พาททุกเวลานี้ไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็ฝึกช้านฝึกสมาธิ ฝึกสมาบัติที่พาทำทุกวันนี่เทศเดีวฟังทุกวันก็เหมือนกันแต่ผู้ใดเข้าใจอย่างนี้ก็จะรู้ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ได้พาคุณปฏิบัติโถนั่งทำวัตพากันทำทุกทีแล้วคุณก็ได้ขึ้นมาดีหรือเปล่าล่ะมันก็ดีขึ้นมานอกจากบางคนมันเลวลงเหมือนกันนัก บ, บันก็ยิ่งเสพคุณในเรื่องของผีแม้แต่ข้อแรกนิวรห้า จะเป็นกางหรือพยาบาทหรือทีนามิทะก็แล้วแต่ก็เสพคุ้นมาอยู่นั่นแหละอ่อนแออยู่นั่นแหละเอ๊ะมันก็ต้องหารากเท่าของตัวเองว่ามันยังไงมันติดมันมากนักหนามันอริดอร่อยนักหรือมาทําแล้วมันก็ไม่อร่อยแต่เสร็จแล้วก็ยังทําให้ตัวเองอยู่เราก็โง่ใหญ่อยู่สิอวิชาตัวนี้มันทําไมมันถึงมากนักก็แกะไข่แล้วต่อไปอันที่สอง นะละองห้าได้แล้วอันที่สองประกอบด้วยการสํารวมอินทรีย์ทั้งหซึ่งเราก็ฟังมาหูแฉ ะ, ะถ้ามันฉีกได้หูก็ฉีกแล้วไม่ใช่แฉะธรรมดาฟังมาหูแฉะหูฉีกสํารวมอินทรีย์ทั้งหเป็นผู้รู้รูปเลยจักสุได้ยินเสียงเลยหูฟังเสียงเลยหูดมกลิ่นเลยจมูกริม รถโดยลิ้นสัมผัสโ ด, ดยกายแม้แต่ใจรู้แจ้งธรรมะด้วยใจเองก็ตามรับมาแล้วไม่หวัทวาณไหนจิตใจของเราก็เป็นผู้ที่ไม่ดีใจไม่เสียใจอุเบกามีสติมีสัมปชัญญะอยู่นี่เป็นตัวไขความของพระพุทธเจ้านะว่าถ้าเกิดอาการจิตว่าเออเรารับสัมผัสอะไรแล้วก็ไม่ดีใจไม่เสียใจนะ เป็นอุเบกขาอธิบายอุเบกขาให้ฟังแล้วไม่ใช่อุเบกขาเฉยอุเบกขาเซ็งไม่ใช่อุเบกขานี่มันเป็นอุเบกขาที่ร่าเริงเบิกบานเป็นลีลาของพุท ธ, ธะนะรู้อุเบกขาไม่ใช่ไม่รู้รู้ตื่นเบิกบานแจ่มใสมีเชิงดีเป็นวิชานี่เรียกว่ารู้เป็นประมุชชะนี่เรียกว่าเบิกบานแจ่มใสน่ เป็นผู้นี่เป็นนิวรอนอีกสข้อนะนิวรอนอีกสข้อเป็นวิชานี่รู้เป็นประมุชะนี่เบิกบานจำใสราเริงเป็นกุศลนี่เป็นเป็นนิวรอนข้อสุดท้ายข้อที่แเป็นอุปการะอยู่กุศลก็คือเป็นผู้ตื่นอยู่ผู้ตื่นอยู่เป็นผู้ที่มีอิทธิบาทอยู่ เป็นผู้ที่เห็นได้เลยว่าเป็นผู้มีกระจิกกระใจใยเป็นผู้มีความขยันเพียรเป็นผู้ที่ยินดีอยู่กับโลกกับสังคมไม่อยากเป็นคนเหนื่อ ย, ชอยเชยเซ็งเห็นแล้วมันบอกได้เลยรู้ได้เลยว่าคนไม่ค่อยเกื้อกูลไม่ค่อยเอาภาระไม่ค่อยอะไรมันไม่มีสมานัตตาไม่มีการประสานสมานไม่เป็นกันอันหนึ่งอันเดียวกันมันอยู่แต่เหมือนมันระแหงมันเหมือนเม็ด อะไรอันหนึ่งอยู่กับเขาแต่มันก็กระเด็นกรเด็นอยู่กับเขามันไม่กลืนมันไม่ประสานมันไม่เชื่อมต่อมันเห็นได้นี่อธิบายด้วยภาษาอย่างนี้คุณฟังให้ดูให้ดีตัวคนนี่เห็นเลยว่าเออไอ้นี่มันขี้กลากติดอยู่บนผิวหนังขี้เกลื่อนก้อนเศษขี้ขยะอะไรที่มันก็อยู่อยู่ด้วยแหละแต่มันมันไม่กลืนมันระแหงมันกระเด็นกระเด็นมันกระดกกระดกกระเด็น กันเดงกันเด่งอะไรอยู่มันไม่กลืนมันไม่สมานมันไม่ประสานมันไม่เหมือนเนื้อเดียวกันมันไม่เหมือนมันไม่ฮาร์โมนีไม่กลมกลืนมันจึงไม่ใช่เอกภาพที่สมบูรณ์มันจึงไม่เป็นเอโกธรมโมมันไม่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันไม่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยจุดมุ่งหมายของศาสนาก็สอนอย่างนี้วันตะบุญใด ได้รับรับราบรู้ดีว่ามันดีมันก็เป็นไปด้วยง่ายทุกอย่างจิตใจของเรานี่แหละมันเชื่อมันเป็น ผ, ผ, ผู้มีจิตเป็นฌานไม่ดีไม่ยินดีไม่ดีใจไม่เสียใจและก็เป็นอุเบกขาอันสมบูรณ์เป็นจิตอันบริสุทธิ์เป็นจิตอันที่แม้จะปรุงจะคิดเป็นปริโยธาตะเป็นปริสุทธาปริโยธาตามุทุเชื่องง่ายแววไว กรรมัญญาสละสลวยเป็นไปได้ถูกดัดได้ง่ายไม่ต้องถูกดัดเรานี่แหละเป็นผู้ดัดมันเป็นผู้ที่นําพามันอ้าวมันเป็นอะไรก็เป็นไปด้วยกันเด่งอย่างดีผั่งพร้อมผั่งพร้อมกันประชุมผั่งพร้อมกันชุมนุพผังพร้อมกันเป็นกาโยผั่งพร้อมกันทำผั่งพร้อมกันผั่งพร้อมกันเลิกผั่งพร้อมกันรู้ผั่งพร้อมกันขัดเกล้าตัวไหนขัดเกล้าก็ขัดเกล้ากันด้วยเจตนารู้เจตนาจะขัดเกลาจะย้อนแยงจะปรึกษาจะวิเคราะห์วิจัย เราตกลงกัตัดสินภาพก็เป็นไปอีกอย่างทั้งพร้อมกินดีตัดสินแล้วมไม่ต้องไปติดยึดอะไรปลอ่อยไอที่ตัดสินแล้วอะไรที่มันเราจะปล่อยก็ปล่อยกันแล้วสบายแล้วจะเห็นความสามคัคคีเป็นพลังสามคัคคีเป็นสุขเพราะเรารู้อุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะ มีการรู้ตื่นอยู่พร้อมพลังมีกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมเราอยู่เหนือสังขารโดยเฉพาะสังขารจิตของเราเราวบคุมมีวะสะัเป็นฐานของพระอริยะพระอริยมีวะสะัเป็นอำนาจเป็นฐานอาศัยมี ร, รมเป็นที่อยู่แห่งพระอริยะเพราะมีอำนาจสามารถ ควบคุมจิตตัวเองได้การชนะหรือการปฏิบัติธรรมนี้ชนะที่ตรงนี้ตรงควบคุมจิตได้แล้วก็ปรับปรุงอยู่กับมูชนพู้หูชนทั้งหลายแหลอย่างเป็นคนที่มีพู้หูชนะหิตายะผู้หูชนะสุขายะแล้วก็เป็นการอนุเคราะห์โลกอยู่เป็นกุศล ส, สุดท้ายผู้รู้พูดตื่นผู้เบิกบานที่แท้ก็เทียบเคียงได้ เป็นผู้ที่มีนิวรณอันเป็นอุปการะอยู่ทั้งหมดตั้งมีวิชาเป็นการรู้มีปรมุตชะเป็นการเบิกบานราเรืองแจ่มใสเป็นผู้เบิกบานจริงมีกุศลเป็นตัวเป็นผู้ตื่นแท้คนตื่นแท้ไม่ใช่คนเสื่องเส่อเป็นคนทําด้วยรู้เป็นคนมีอะไรแต่ใดควรจะเป็นยังไงควรจะดําเนินไปเป็นสุขโตเป็นสัมมาสมาคโตสมุขโตอย่างไร ควจะมีอะไรดําเนินไปดีอยู่เพราะว่าเราเองเราพักเราก็รู้แล้วนี่พักเพียรก็รู้เพียรอยู่ก็อยู่เราจะเป็นอะไรมีอะไรทําอะไรอันเจริญงอกงามซึ่งจะเป็นไปอย่างผสมประสานอยู่กับหมู่เข้ากันได้หมู่ก็รับรู้เห็นพรั่งพร้อมกันดีอู้อนุมโมทนากันตลอดไม่ใช่ว่าเอ๊ะคนนี้อะไรกันว่าจะแยกทํ า, ยายท ำ, ท ำ, ทำอะไรมีอะไรของตัวของตนเป็นอะไรตัวๆตนๆอยู่ทําไมกับหมู่เขาก็ไม่ไม่ไม่เป็นไปมันจะไม่เกิด ความเป็นอย่างนี้มันจะกลืนประสานสมานพูดไปอย่างนี้แล้วคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าทุกคนร้อยคนก็ร้อยคนเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนี่ดีไหมคุณว่าดีไหมเนี่ยถ้ามันเกิดสภาพอย่างนี้อาตมาเชื่อแน่ว่าคุณฟังเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่ามันดีแน่แต่นั่นแหละโลกมันย่อมมีเออร์เรอมันย่อมมีสิ่งที่ยังปาดตุ พูดตังบ้างเไม่ใช่ปตุภูตังปาตักเป็นสิ่งที่ตกหล่นบ้างมันก็มีสิ่งบกพร่องตกหลน่นโดยธรรมเพราะงั้นโดยธรรมคนที่ตกหลน่นหรือคนที่ยังกระเดิดกระเด็นกันมันไม่กลืนกันทีเดียวมันยังมีตัวอะไรโดโดเ ด, เด่นผสมอยู่ด้วยกันอันนี้แหละอันนั้นก็เป็นตัวอย่างให้เห็นได้เหมือนพระเทวทัตก็ตเป็นตัวกระโดดกระเดกอยู่ในสังคมาศาสนาของพระพุทธเจ้า นั่ที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเองก็เป็นตัวร้ายเลวที่เป็นตัวนั้นให้ก็เป็นหนูตะเภาให้เขาดูไปอ่าก็เป็นตัวอย่างนั้นแหละผู้ใดยึดจัดก็เครื่องโกรธ ถ, ถือสาผู้ใดปล่อยใจเป็นแล้วก็เข้าใจเสเออเขามันแก่ไม่ได้อ่ะบัวใต้ตมก็ต้องให้เป็นอยู่บัวใต้ตมไปเต่าปลาก็กินไป ท็ทำยังไงก็ช่วยกันพยายามทุกวิถีทางโดยเฉพาะผู้ใหญ่ก็จะพยายามเมื่อสามารถควบคุมทวารทั้ง6ได้แล้วก็ฝึกไปทุกวันเรื่องอินทรีย์สัารวมอินทรีย์ก็ขอพออันนี้ก็พออีกทีนี้ก็ข้อที่สเราจะเป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวรักษาอะไรเป็นผู้ประกอบด้วยใจอันรักษาประกอบแม่สํานวนี่บอกว่าเป็นผู้ประกอบด้วยใจอันรักษาก็คือมีรักษาใจ รักษาด้วยอะไรด้วยสติชัดเป็นการชัดมากเป็นผู้ประกอบด้วยใจอันรักษานี่คือสิ่งเดียวอย่างเดียวสําคัญเป็นเอกจะแปลว่าอย่างเดียวก็ได้แปลว่าเอกก็ได้แน่ใจว่าไม่ต้องเปิดพระบาลีก็รู้นี่ตรงมาจากรากศัพท์คําว่าเอกโอแน่คำที่แปลว่าเป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวนี่คำว่าอย่างเดียวนี่ออกมาจากศัพท์คําว่าเอกโอแน่ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นจะแปลเอกโอว่า อย่างเดียวก็ได้แปลว่าอย่างเก่งก็ได้แปลว่าอย่างสําคัญก็อย่างเลิศก็ได้ที่สุดหนึ่งที่สุดแล้วก็รักษาอย่างนี้แหละเป็นเลิศเป็นเอกยังไงยังไงก็มารักษาจิตเพราะเรารักษาจิตได้ทุกเวลายืนเดินนั่งนอนคิดนึกทําการทํางานพูดจาแม้แต่อาตมา ก, กําลังพูดอยู่นี่อาตมา ก, ก็ต้องรักษาจิตอย่าให้จิตมีแม้แต่วิปัิสารอะไรไม่สบายอะไรไม่เอาให้จิตเป็นปิติให้จิตเป็นปลาโมด ให้จิเป็นการร่าเริงเบิกบานอยู่แม้จะพูดเหมือนเคร่งเครียดเหมือนก็นดุด่าว่า <c oughs> ดุดไปยิ้มในใจไปนะ <c oughs> พระโพธิรักษ์นี่ดุดไปยิ้มในใจไปเรื่องอะไรเราจะมาโง่โกรธพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่เป็นความซามเถ้าแก่ธรรมาไม่เป็นคนซามใครจะซามก็เลือกเอาอยากเอาไปก็เอาไปที่ซามธรรมาไม่เอาเพราะการกโกรธเป็นการเครืองการไม่ชอบใจ มันเป็นการสามเพราะฉะนั้นมาในทางสวรรค์ดีกว่ามาด้ทางเบิกบานด่าเริงเพล่เพหน่อยเป็นพวกถึงขั้นเป็นพวกร่าเริงใหญ่อะไรเขาเรียกปหาศักด์ะปหาศักดก็เป็นตัวชื่อของพวกด่าเริงมากจนเรียกวันนรกชนิดหนึ่งร่าเริงเกินไปป่าหาศักดเป็นเทวดาอะไรอ่ะ คิอ ค, ค, คิดทาเออคิดทาปโธสิกะเทวดาเป็นเทวดาที่หลงในความร่าเริงไปมีความร่าเริงเป็นโทษคิดทาปโธสิกะเทวดาเราก็รู้ว่าอาการจิตของเราเป็นคิดทาปโธสิกะเทวดาเราก็รู้ว่ามันก็มันก็ยังดีกว่าคุณเป็นคนซามเอาสายโกรธสายเครืองมาใส่จิต มันดีกว่าแต่เราก็ต้องรู้ยิ่งกว่า น, นั้นสูงกว่า น, นั้นอีกแม้เป็นกิตาปโตสิกะเทวดาเราเขรู้ตัวว่ายานะอย่าให้การร่าเริงเป็นโทษแก่ตนความเบิกบานร่าเริง ด, ดีแต่อย่าติดแต่อาศัยเราอสายเบิกบานร่าเริงเพราะนั้นพุทธะถึงมีฐานอาศัยว่าเบิกบานแจ่มใสเบิกบานร่าเริงอยู่แค่ใดพอดีแล้วอย่าไปหลงว่าเราจะได้อันนี้นิรันต์เราจะพลากนิรันต์ Blue ไม่ใช่เราจะได้นิรันด์แต่เราได้นิรันด์อยู่ก็เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นเป็นที่อยู่เราทําที่อยู่นี้ได้แล้วเป็นธรรมะอันพระอริยะมีอยู่อาศัยอาศัยแล้วและกาลังอาศัยกาลังอยู่นั่นเองที่จะแปลว่ากาลังอยู่ก็ดีจักอยู่อนาคตเราก็จะอยู่ไอตัวนี้แหละเป็นเครื่องอาศัยแต่มันไม่ใช่ของเรามันพรากกันแน่ rire. แต่เรายังไม่พรากเรามัยังมีรูปนามขันห้าเราก็ต้องมีเครื่องอาศัยสินะ นี่มันซ้อนเท่านั้นนะภาษาแต่จริงแล้วพอรู้ตัวจริงแล้วมันสบายแล้วก็เราก็รู้ตัวจบแล้วเออมันก็ต้องอาศัยสิสอุปาทิเสสานิพานสัพปาทิเสสานิพานก็ต้องอาศัยสิ่งที่มีรูปนามก็น่าดีน้ำไฟลมก็ต้องอาศัยกินข้าวก็ต้องอาศัยเครื่องหนุนห่มก็ต้องอาศัยไปพอพ อ, พอควรหรือน้อยที่สุดหรือเราสํารวมสังวรดีหมดแล้วเราก็แค่นั้นอ่ะทีนี้ก็เข้ามาถึงจิตเราก็รักษาจิตเป็นผู้ประกอบด้วยใจอันรักษา ด้วยสติแหมสตินี่มันยิ่งยอดจริงๆพอมีสติคลองสุดท้ายเมื่อกี้นี้ผ่านมาแม้แต่อินทรีย์เราก็รักษาสํารวมสังวรให้มีอาการไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะมานี่ก็มีสติด้วยสติรักษาใจดูแลใจก็คุมใจใครจะใกล้ชิดใจใครจะสามารถไวเป็นมุทุพูเตก็คือแววไว ภาพก็อยู่กับจิตเราจะพูดเราจะจาเราจะสังกปะเราจะวาจาเราจะการงานแม้การงานจะวุ่นขนาดไหนเราก็ยิ่งไว้ได้เท่านั้นการงานจะวุ่นมีมาโอ้โหทั้งคนโน้นคนนี้เรื่องโน้นเรื่องนี้เราก็ไม่พลากใจไม่ห่างใจแล้วก็ไม่เผลอใจใจของเราก็ควบคุมได้มั่นคุณยิ่งมีฌานอันแข็งแกร่งมีมุมทุภูเตมีวิญญาณอันเป็นมุทุสำคัญมาก ฟังให้ดีเีอธิบายย้อนเอาองค์ทำมาขยายกันลึกขึ้นลึกขึ้นภาษาเก่าแต่มีมุมใหม่เลี่ยมใหม่ภาษาเกา่าพูดภาษาเดิมนั่นแหละคุณฟังออกไหมว่ามันมีมุมใหม่มันไวขึ้นแวขน ว, ขนวขึ้นแม้แต่จะเป็นอาชีวะทําอาชีพอย่างโอโหติดต่ออยู่แต่คุณมีจิตไวจริงๆจิตไวตัวนี้มันไม่ใช่ปากพูดไม่ใช่ปากพูด อาตมาพูดไปนี่อาตมาก็พิสูจน์อาตมาอยู่ตลอดเวลาว่าอาตมามีสัมมาวาจาวาจาอาตมาพูดไปนี่เป็นฌานอาตมาเป็นฌานอยู่หรือเปล่าจิตใจของเรานี่เป็นยังไงตอนนี้นี่รักษามีจิตมีสติคุมใจเราใจเราขณะนี้เป็นยังไงแล้วพูดไปนี่มีอารมณ์ยังไงอ่าเป็นอภิชาวิสมาโลภะเป็นพยาบาทโกธอุปนาหะอภิชาวิสมาโลภะก็คือมันเพ่งแรงมันโลกจัด มันมุ่งหมายมันจะมีมุ่งหมายอยู่อย่างหนึ่งเป็นอาศังขาวจอลของอัตมาคือมันจะมุ่งหมายปรารถนาดีให้คุณได้ดีมากๆเนี่ยมันถ้ามันมากเกินไประวังนะบางคนเขาแย่แล้วประเดี๋ยวจะกลายเป็นเพอร์เจอร์จะกลายเพอร์เจอร์สี่ลักษณะที่เคยอธิบายให้ฟังพระเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแม้เรามันเคี่ยวของเราคนเดียวแต่เพื่อนแย่แล้วอะ่ะเขาไม่ฟังแล้วอะ่ะระวังนะอะไรนี้เป็นต้น ก็ต้องควบคุมดูแลอภิชาวิสมะโลกภ้หรือเปล่าและตัวเองพูดได้กโกรธได้เคืองหรือเปล่าแม้กําลังขณะนี้เจตนาสอนคนนี้กําลังดุคนนี้อยู่อาตมารู้อาตมาดุใครตอนนี้กําลังเทศให้ใครคนนี้กําลังเป็นยังไง ร, รู้เจตนาบางทีพร้อมกัน ห, หลายหคนบางทีคนนั้นเด่นก็เอาคนนั้นเป็นฐานแล้วก็เทศให้ดุว่าดา่าให้คนนั้นอยู่เรากําลังดุว่าดา่านี่เรามีโทษสามูลจิตแม้อย่างละเอียด แม้แต่การปฏิอารติความไม่ชอบใจไม่ยินดีความที่มันมีอะไรที่ไม่ชอบไม่พอใจที่เขาเป็นอยู่เรามีแทรกหรือเปล่าอาตมาก็มีจิตตรวจใจตัวเองไวๆเลยว่าเนี่ ย, ยแล้วเราจะไปพูดกับเขาไปด่าเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแม้เอามาร่วมประกอบว่าจะเทศในเขาดุดุดันๆหน่อยเนี่ยคนอื่นเขาอ่านแล้วนี่เป็นวาจาเป็นสัมเนียงลีลามันจะดูว่าเอ๊ะน่าเกลียดแล้วนะนี่ด่าด่าเขามากไปแล้วนะนี่ แต่ตอนนี้ด่าท่านธีระจิตโตนหนักเลยนี่หนักแล้วนี่นี่ภาษานี่เทศไปด่าความผิดอันนี้ของท่านนี่สมมุตินะประเดี๋ยวจะหาว่าด่าจริงจริงอ่าไม่ธีระไม่ได้มีผิดอะไรหรอกยกตัวอย่างตัวบุคคลคนอื่นก็ฟังว่าโอโ้โหนี่ด่าท่านมากไปแล้วนี่โอ้โคว่ ข, ขีดท่านมากไปแล้วมีพระโพราบางทีรู้สึกในเรื่องบางเรื่องในคราวบางคราวในบางบุคคลบางครั้งมีอ่า เราก็ต้องระวังอัตมาต้องระวังเออเป็นดีแล้วแล้วจนกระทั่งมีเสียงสะท้อนกับมาบอกท่านไม่น่าไปว่าพระองค์นั้นแรงถึงอย่างนั้นเลยไม่น่าไปด่าว่าไม่ต้องไปไม่น่าไปเทศแรงถึงขนาดโอกาสอย่างนี้กระหมูชนอย่างนี้นีน ะ, ะเราเองก็ต้องพยายามตามรู้ด้วยแล้วเราก็ต้องปรับปรุงให้มันเรียบร้อยสุภาพดีที่สุดแต่บางทีก็ต้องทําผู้ที่ฟังนะ่นเขาติ แต่เขาไม่รู้รองว่าเราเจตนาขนาดนี้ตัวเจ้าตัวกลับได้ดีหรือมีสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นที่จะต้องสร้างบรรยากาศหรือทําอะไรอื่นซึ่งเป็นนโยบายเป็นกรรมวิธีของอาตมาเองอาตมาต้องทําว่าอาตมาได้ทํามาแล้วเป็นขั้นตอนนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ต้องทําอย่างนี้พ่อไม่ทําอย่างนี้มันใช่ไม่ได้ถ้าไม่ทาอย่างนี้ไม่เกิดผลในการขัดเกลาก็ไม่เกิดผลในการที่จะเป็นประโยชน์ที่ดีได้ก็จําเป็นอาตมาก็ต้องทําอย่างนี้เป็นต้น ไอ้พวกนี้ก็มีร า, ายละเอียดลึกซึ้งอาตมายกตัวเองประกอบให้เห็นว่าสตินี่สําคัญรักษาใจของเราอยู่รักษาใจจะมีกายกรรมวจีกรร ม, มโนกรรมอย่างไรทําการงานอย่างไรรักษาใจนั่นคือคุณฝึกฝนฌานฝึกฝนการมีฌานและฌานเป็นบาดฐานจะเกิดวิชาอีก8ประการถึงอาสวัคยายานเนี่ย คุณฝึกแล้วมาใช้ได้ใช้ลืมตานี่แหละใช้ในมรรคอง8นี่แหละอยู่ด้วยกันนี่แหละใช้ในโพธิปคีรธรรมสามสิบเจ็ดนี่แหละไม่ใช่ชาญหลับตาไปหลับตาก็ทําได้นี่ก็พยายามแวะมาพาดับตาอยู่เพื่อที่จะให้แต่ยังไม่ถึงขั้นหลับตาลืมตาและให้ น, นิ่งอยู่แค่นี้ก่อนแล้วก็พยายามอ่านเข้าไปจนกระทั่งตั้งมั่นใจดีแล้วก็ขึ้นไปหลับตาก็มีจิตแข็งพอที่จะหลับตาแล้วก็จะรู้อาการรู้อารมณ์ ก็จะให้มีสตินั่นแหละก่อนอเรารักษาเป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวในธรรมวินัยนี้ก็บอกว่าอธิบายว่าเป็นผู้ประกอบด้วยใจอันรักษาเป็นผู้ประกอบด้วยใจมีใจนี่แหละเป็นเครื่องเป็นตัวหลักประกอบการด้วยรักษาใจเป็นผู้รักษาใจอันรักษา ใช้จำนวนอีกสำนวนหนึงว่าใจอันรักษาก็คือรักษาใจพูดอีกํำนวนกลับใจอันรักษารักษาด้วยอะไรด้วยสติเนี่ยเป็นผู้ประกอบด้วยด้วยใจอันรักษาเขาเชื่อมด้วยตัวบุพพบบด้วยสองด้วยเป็นผู้ประกอบด้วยใจอันรักษาหรือรักษาใจด้วยอะไรอีกด้วยสติเนี่ยเป็นผู้ประกอบด้วยใจอนรักษาด้วยสติ ใจรักษาด้วยอะไรก็ด้วยสติทีหนึ่งฟังให้ออกแในทีนี้คุณก็ทําให้เป็นสติคือยคอย่างไรใจคืออย่างไรรักษาคืออย่างไรรักษาก็คือรักษาเหมือนกับทวาร6กเอามากลรักษากิเลสเป็นยังไงก็ขับออกนิวรห้าเป็นยังไงก็ขับออกเนี่ยสัมพันธ์กับข้อต้นข้อต่อไปข้อ4ก็ภิกษุเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พักพิงสี่มีธรรมเป็นผู้อาศัยไปที่อาศัยไปที่พักพิงคืออะไร ในพิกษจน์ในธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วย่อมเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วย่อมเสพของอย่างหนึ่งนะพิจารณาแล้วย่อมอดกลั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วย่อมเว้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วย่อมบรรเทาของอย่างหนึ่งนะหนึ่งเสพสองอดกลั้นสาเว้นสบรรเทา นี่จำความหมายนอกนั้นก็สมนวนคล้ายกันพิจารณาแล้วย่อมเซฟของอย่างหนึ่งพิจารณาย่อบแล้วย่อมอดกลั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วย่อมเว้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วย่อมบรรเทาของอย่างหนึ่งนล่นเป็นเครื่องอาศัยพักพิงท่านใช้คําว่าพักพิง4ประการ การละนิวรณ์หนั้นเกี่ยวกับมรรคองคปดอย่างไรบ้างต้องใช้ข้อไหนในมรรคแหรือทั้งหมดก ร, กรุณาอธิบายด้วยครับโอ้ก็อธิบายจนจะแฉะปากเปียกปากแฉะหมดแล้วละนิวรณ์หนั้นเกี่ยวกับมรรคองค์8อย่างไรบ้าง<笑><笑>ก็ปฏิท้อนตนทุกวันนี้ก็ให้ละนิวรณ์ห้าละนิวรณ์หนั่นแหละคือการล้างอวิชชาเพราะ นิวรห้เป็นอาหารของอวิชชาอาวิชชาสูตรตันหาสูตรก็เคยเอามาอธิบายให้ฟังแล้วล้างองค์ห้าหมดด้วยพจชงเจ็ด้วยสติปฐานสี่อ่าก็ล้างนิวรล้างอย่างไรก็อธิบายทุกตัวนี่ขอให้เข้าใจโดยปริยายว่าอธิบายอยู่ทุกคาทุกขณะ น, นี้กำลังจะบอกว่าพิจารณาแล้วเสพนี่ก็คือการล้างนิวร แล้วจะล้างยังไงก็นี่แหละก็วิธีนี้แล้วก็ไปทําตลอดเวลาคุณกําลังพูดคุณกาลังคิดนี่มันก็เกี่ยวกับมรรคองแปดทั้งนั้นกําลังคิดกับสังกัปปะกําลังพูดกับวาจากําลังทําการงานอะไรอยู่ก็กรรมันตะทําอะไรมากก็อันนั้นเรียกว่าอาชีพก็มีความพยายามมีสติเห็นหได้รู้ให้ได้ว่าตัวเองสวอนตารวจอินทรียมีสติแล้วก็เข้าใจว่านี่นิวรมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ล้างมาอยู่ตลอดเวลากับบทบาททุกบทบาทอิริยบททุกอิริยบท ก็ทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราเราสร้างสมาธิสั่งสมสมาธิคือสร้างจิตจิตมันก็ตั้งได้จิตมันก็แววไยจิตมันก็เป็นฌานไปในตัวจิตมันก็เหมาะกับการงานนอกการงานในทั้งการงานที่ทําอยู่เป็นอาชีพเป็นการงานกรรมตะผููนี่ก็เป็นการงานชนิดหนึ่งทั้งการทําการงานละกิเลสไปในตัวล้างกิเลสไปในตัวมันซ้อนกันอยู่มันจึงไม่ขาดผล ผลได้ทั้งเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์นอกประโยชน์ในงานโลกงานธรรมไม่ขาดทั้งโลกไม่ขาดทั้งธรรมะเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยมรักองค์8พระพุทธเจ้าที่วิเศษที่สุดจะไม่รู้จะว่าวิเศษยังไงนะยังมองไม่เห็นเลยว่าทฤษฎีไหนจะวิเศษเท่าทฤษฎีพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติอย่างนี้นี่พูดลวกๆพอเข้าใจไหมมรักองค์8ทันทัปรังสีนี่ถามมา เอ๊ะอ้าวนี่พระธรรมรังสีเอ๊ะทำไมปลอมชื่อละองค์เนี้ฮะอะไรอ๋อเขียนชื่อของท่านทัศนีโยโอมอ๋อจําผิดไป็จำปลอชื่อถึงว่าท่านองค์นั้นก็เฉยอยู่เป็นฤาษีอย่างเก่าเอ๊ะถามแล้วก็เป็นฤาษีอย่างเก่า ถ้ามีฉายาหรือสีคือท่านเชิ<ม>ดตึมยิ้มท่านมีฉายาวารืสีฉายาฉายาทางธรรมก็ทำมารังสีด้วยเลยใกล้เลยเขาก็เลยไม่เรียกทำมารังสีเขาเรียกทำมาือสีเลยนะแต่พี่ท่านทัททศนีโยโธถามมาแล้วมาลงชื่อองค์นี้มาเขียนชื่อเติมใช่ไหมนั่นอเราก็เลยพลอยผิดไปหมดเขออา้าใจแล้วนะท่านทัทศนิโย นี่คร่าวๆก็ไม่รู้าทวนไปทวนมาอยู่นั่นเองก็พูดไม่ได้นาหนี้ไปจากนี่หรอกที่พาสอนนี่ละนีวรณห้เท่า น, นั้นแหละเพราะนีวรณห้เป็นอาหารของอวิชาคุณจะถอนอวิชาใดก็ละนีวรณห้นี่แหละศาสนามันไม่มีมมมมมอื่นหรอกคุณแต่ทีนี้เราพูดกันมากองค์ทำมันเยอะแต่แท้จริงแกนแกน่นและจับเป้าได้แล้วมันไม่มีอื่นแล้วเป็นลาจะนั่งหลับตาลืมตามาเขาไม่ได้มันก็ช้าอยู่นั่นเอง พระจ้าถึงเร็วรัตและประโยชน์ตนประโยชน์ท่านช่ำชองช่ำนาญไม่เสียผลทางโลกทางธรรมทั้งหมดเลยนี่สรุปง่ายๆที่อธิบายอยู่นี่ก็เหมือนกันนี่ไร่มาแล้วตั้งแต่นี่วนายิ่งจะเห็นสูตรที่ท่านเรียงไว้นี่ยิ่งชัดยิ่งจะเห็นสูตรที่ท่านเรียงไว้นี่ยิ่งชัดเจนนี่แม้แต่ในสูตรนี้แต่การอธิบายมันก็เบอร์เชิงอื่นเชิงอธิบายเท่านั้นเองนะก็ล้นานิี่วนาเป็นอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผู้ละองค์าได้แล้วก็สํารวจบินสี่หกก็เป็นหลักปฏิบัติแน่ สํานนมีสีหงอย่างไรก็มีสติเป็นเอกสติรวบควบคุมระวังใจแต่ไม่ได้ระวังใจอย่างเดียวมาจากตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เข้ามาใจใจยึงเป็นเอกดักใจให้ดีและปฏิบัติทําให้รู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันก็มาใจเสร็จแล้วก็อาศัยสิตนนินี้พักพิงด้วยลักษณะ4พิจารณาแล้วเสพปฏิเสวนาเนี่ยสํนานวนอันนี้พิจารณาแล้วเสพนี่ของอย่างหนึ่ง อะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าของอย่างหนึ่งสภาวะอย่างหนึ่งอาการอย่างหนึ่งก็ตามใจนะคุณจะอาศัยอะไรจะพักพิงอะไรอันนั้นแหละของอย่างนั้นพิจารณาก่อนนะคุณจะอาศัยอะไรคุณจะอาศัยอาการอย่างนี้ด้วยโง่คุณก็เอาวิปติสารสภาพที่มันไม่ค่อยสบายใจวิปัิสานนี่เป็นอาการที่ไม่ค่อยสบายใจวิปัิสารจะไม่สบายใจมากหรือน้อยก็ตามใจ มันเกิดอาการไม่สบายใจอยู่ในใจเท่านั้นยิ่งมีกิเลสแล้วคุณก็อาศัยกิเลสกาม อ, อาศัยเลยพิจารณาให้ดีนะอาศัยอะไรเข้าไปแล้วนะั่นะเอากามมาอาศัยหรือหรือกําลังอาศัยใจใจกําลังอาศัยความโกรธเลาเ ๆ, ๆ่คุณกําลังทรงอยู่กับทรงอยู่หรือพักพิงอยู่หรืออาศัยเสือร้ายนะั่นะนะนะกำลังโกรธเล่าเล่าเล่าเยุคก็ไม่รู้ตัวขับออกขับออกอย่าพักพิงมันอย่าให้มันมาอยู่นี่ พิจารณาแล้วค่อยเสวยหรือค่อยเสวนะค่อยคบคุณเสวนาเสวนาคบคุณอาศัยพักพิงอยู่เสวนะตัวนี้เนี่ยนะเสพถ้าเสวยะหรือเสพเสพถ้ามีตัวยองสะกดเข้าไปอีกมันก็เป็นนามขึ้นมาหน่อยนะหรือว่ามันเป็น คุณนวิเศษเป็นกริยาวิเศษขึ้นมาหน่อยนะมันก็เป็นความหมายว่าหน้าคบค้าหน้าอาศัยหรือพึงคบค้าหรือควรปฏิบัติอย่างนั้นหรือพึงร่วมอย่างนั้นพึงเสพอย่างนั้นอยู่อะไรละ่ะคุณก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาแล้วเสพนะพิจารณาแล้วเสพ จะเด่นตัวนี้แล้ ว, วันนี้อาจจะจบเวลาอยู่ตรงนี้สําคัญมากนะปฏิเสวนาเป็นภาพประพฤติซึ่งก็เอามาสอนเอามาอธิบายอยู่แล้วในสภสภาสวะสังวรสูตรจะมีสภาพทัศนาสังวราปฏิเสวนาอธิวัฒนาปริวัชนาแม้แต่ตัวท้ายบรรเทา น, นี่ก็ปริวัชนาอาวิโนทนาบรรเทานี่วิโนทนาภาวนาก็เกิดผล เพราะฉะนั้นเราจะทำไปจนกระทั่งถึงบรรเทาเข้าฐานเราอาศัยสิ่งบรรทาเราเราอาศัยเสวนาพิจารณาสัก่อนแล้วย่อมเสพหรือเสวนาหรือเสพยะเสวยะก็เหมือนกันมีรากสาบมาตัวเดียวกันคือเป็นสภาพที่พึงอาศัยอยู่ครบอยู่คุ้นอยู่นะหรือปฏิบัติ ด, ด้วยสภาพอาการนั้นอยู่หรือร่วม เพราะเขแปลนี่ลอกมาจากพระไตรปิฎกไอ้ลอกมาจากประธานุกรมบาลีมาเลยว่าเสเนี่ยแปลว่าหน้าอาศัยพึงคบค้าควรปฏิบัติพึงร่วมพึงเสพสุดท้ายก็ใช้ว่าพึงเสพเพราะฉะนั้นจะพึงเสพพึงคบค้าอยู่พึงปฏิบัติอยู่พึงร่วมอยู่ก็จากอะไรเราจะเราจะเอาอาศัยเช่นว่าเราเอาอาการปราโมดอาการปรมุชชะ กับอาการของวิปฏิสารคุณควรเอาอาการวิปฏิสารอาศัยหรือควรควรเอาอาการของปรามโมดอาศัยวิปฏิสารหมายความว่ามันไม่สบายใจปรามโมดหมายความว่ามันยินดีเบิกบานร่าเริงใจอาการเบิกบานร่าเริงกับใจที่มันไม่สบายใจคุณควรอาศัยอะไรคุณควรพึงเสพอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าเราจะอาศัยเราก็ต้องพึงอาศัย การเบิกบานร่าเริงกว่าหรือคุณจะทําได้ละเอียดยิ่งกว่านั้นแต่คุณก็ไม่เฉยคุณก็ไม่ถูกฉุดคุณอาศัยความเฉยกว่านั้นไม่ต้องถึงเบิกบานร่าเริงหรอกแต่เราร่าเริงก็ร่าเริงง่ายร่าเริงอยู่เราไม่มีการวิพติสารอะไรไม่ไม่สบายอะไรสบายไม่ยินดีก็ไม่มีจะเกิดอารติก็ไม่เกิดจะเกิดวิปติสารก็ไม่เกิด ฟังได้ดีเลยนตอนนี้ต้องใช้ศัพท์ภาษาบาลีแล้วเพราะมันละเอียดต้องควบคู่ไปแม้แปลเป็นไทยก็แปลไปพลางอารติบแปลว่าไม่ยินดีวิปติสารแปลว่าไม่สบายใจก็มัมันไม่ไม่เอาตั้งสองอย่างเราควรจะอาศัยอะไรอาศัยประมุชชะอาศัยพราโมดอาศัยความร่าเริงยินดีเบิกบานหรือจะอาศัยอุเบกขาเฉยที่ว่าในความเฉยนั้นมันก็ไม่ใช่เฉยเมยไม่ได้เฉยแฉะไม่เฉยเฉย ก็เฉยก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำว่าเบิกบานภาษาไทยก็ไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรอีกดีกว่าเบิกบานมันก็เบิกบานอยู่จะบอกว่ายินดีอะไรเนียก็จะมากไปก็เราทำให้ละ เ, เอียดลงไปสุ ข, ขุอมกว่านั้นได้ไหมแล้วก็อาศัยอารมณ์อาศัยอาการจิตอย่างนั้นแหละเราก็พิจารณาให้ยิ่งแต่ตอนนี้คุณไม่ได้หรอกแหมถ้าเพขืนอาศัยอารมณ์อ่อนๆ อ, อ, อย่างนั้น ไม่รอดเราถูกผีแรงๆดึงไปกินหมดเพราะฉะนั้นต้องถ่วงไว้ถ้าร่าเริงต้องร่าเริงแรงๆหน่อยถ้าร่าเริงไม่แรงปเดี๋ยวไ อ, ไอ้ตัวที่มันจะฉุดไปหาส่วนวิปัสสนาที่ไม่สบายใจอย่างหนักๆดึงไปแรงเดี๋ยวจะสู้มันไม่ได้คนในโลกก็เลยมีแบบตรงๆเนี่ยจะไปยินดีร่าเริงจะไปหัวเราะเบิกบานก็ต้องไปให้เขาจี้เส้นแรง ไปดูเจลลี่ลุยส์ Louis, หรือเจลลี่ลวิสนะมันตลกโปคาไปดูไอ้สามเกลือหัวแข็งอ่นิวก็อัดสมาเป็นคนโบราณก็พูดหนังโบราณเดี๋ยวนี้ไม่รู้ดาราตลกมันชื่ออะไรอ่ไปดูลอตต็อกตลกไปดูสีโพอ่าก็ต้องไปดูสีโพถ้าใครเก่งแล้วดีแล้วโอ้ยไม่ต้องไปถึงขนาดให้เขาจี้เส้นขนาดนั้นหรอกมาให้โพเดียวนี่จี้ ไม่โพธิรักนี่จี้ก็พอแล้วนี่ก็เบิกบานล่าเริงแล้วเนี่ยบางคนเห็นหมาหรือเห็นลายฟันะล้วเมื่อกี้ฟังไปแล้วยิ้มลาดเริงก็ไม่เป็นไรเราจะอาศั ย, ยงี้พึงพิจารณาแล้วเสพมากไปไหมถ้าเรามากไปถ้าเรามีสติสัพชัญญาควบคุมรักษาใจอยู่แล้วปล่อยอยู่ปล่อยอยู่เป็นผู้ที่มีสติสัพพัญญาปัญญาปล่อยอยู่วิมุตจะยงังปล่อยอยู่ปล่อยอยู่ ฟังให้ดีนะถ้าไม่รู้สับเทคนิคพวกภาษาพวกนี้บ้างก็จยางยากแล้วอาตมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงปัญยายสูงขึ้นมามันก็ต้องใช้ศัพท์เทคนิคอย่างนี้แหละทําไงได้คุณก็ปล่อยอยู่ปล่อยอยู่เนี่ยใจมันก็รู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยอยู่คุณก็ไม่เป็นไรคุณก็รักษาใจด้วยสติอยู่แล้วเป็นการรักษาใจอันเดียวแล้วก็พิจารณาเสพเออเราก็เสวยต้องอาศัยมันอันนี้ก็อาศัยดีกว่าอันที่ไม่เข้าท่าไหมล่ะดีกว่าก็เอา เกิดคุณเกิดค่าพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ใดที่จะถึงจุดพิจารณาแล้วเสพได้เนี่ยที่จริงะละเอียดมากฐานอาศัยสุดท้ายเลยเริ่มแรกคุณก็ต้องรู้สุดท้ายคุณก็ต้องรู้และสุดท้ายมันก็จะพิจารณาแล้วเสพสุดท้ายวันต้องเสพที่อาตมาบอกว่าจุดหมายปลายทางของเรามีจุดข้อสุดท้ายว่า สิ้นความเสพก็คือการปล่อยแล้วแต่ก็ต้องเสพต้องอาศัยนะมันเป็นคำสุดท้ายต้องอาศัยต้องพักพิงต้องพึงเสพหรือพึงคบค้าอยู่หน้าอาศัยมันหน้าอาศัยมันต้องอาศัยมันควรปฏิบัติมันก็ต้องปฏิบัติอยู่กับอันนี้มันพึงร่วมมันก็ต้องร่วมอยู่กับอันนี้พออันสุดท้ายแล้ว มันอันสุดท้ายแล้วแล้วก็ต้องพึงร่วมแต่อั น, นี้ไม่ใช่ของเรานะอย่าพึงหลงอันนี้ไม่เช่นน่าติดนะไม่ใช่น่าจะสังคณิกะไม่ใช่น่าจะสังสัก ข, ขะไม่น่าหลงว่าเป็นสวรรค์อัตมาแปลสังสักคะว่าหลงสวรรค์อสังสักคะแปลว่าไม่หลงสวรรค์น่เป็นสำนวนองอตมา เขาจะแปลว่าไม่คลุกคลีไม่เกี่ยวข้องอาตมาเข้าใจกับเขาได้แต่เขาจะเข้าใจที่อาตมาให้ความหมายหมายเท่านั้นแหละขณะนี้นะคังครั น, นี้กะก็แปลว่าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องโดยคณะอาตมาก็เข้าใจแต่เขาจะเข้าใจที่อาตมาหมายขึ้นไปได้ไหมอาตมาว่าอย่างนั้นนะอาตมาเข้าใจมันไม่มันมันหยาบมันไม่ลึกซึ้งอะไรเท่านั้นเท่าไหรหรอกแต่อย่างที่อาตมาว่าตีความหมายหรือพยายามทําความเข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้งสุ ข, ขุมประนีขึ้นไปกว่าเนี่ยเข้าใจไหมถ้าเข้าใจคุณก็ปล่อยอยู่ปล่อยอยู่เพราะฉะนั้นพึงเสพ แล้วก็พึงปล่อยสุดท้ายก็คือเราสิ้นความเสพไม่ใช่อาศัยอันนี้แล้วอาวรนมันอะไรมันแล้วก็ยึดหลงว่าเป็นของเราจะต้องมีต้องเป็นไม่คุณตายเมื่อไหร่มันก็ปล่อยกันไม่ตายเดี๋ยวนี้คุณก็ปล่อยไม่ต้องอะไรอาวรนมันมาเมื่อไใ่ต้องอาศัยเราก็อยู่กับมันใจของคุณอยู่กับอะไรก็ น, นั้นก็อยู่บางทีไม่ต้องรา่าเริองอะไรมากก็นั่งเฉยก็เฉยแต่ก็ไม่เฉยเศร้าสร้อย มุนมองไม่มองไม่อะไรกระเบิก บ, บานอยู่ก็ไม่รู้จะเอาใช้ภาษาอะไรแล้วสุดท้ายก็เบิกบาล น, น่าเริงจำใสก็จำใสก็ได้เออจำใสอยู่กระเบิกบานยิ่งกว่าเบิกบานดูมั้งเออเขาว่าจำใสจะดีมั้งก็แจำก็จารู้อยู่ว่ามันใสจิตเราก็ใส่อยู่นี้ก็อาศัยสิ่งนั้นตัวต้นก็ทําให้ได้ประมาณอย่างนี้เป็นจุดเป้าหมายทีนี้เวลาไปปฏิบัติจริงๆ พยายามควบคุมพยายามดูแลพยายามที่จะปราบปรามถ้ามันจะมีกิเลสอยู่มันจะเข้ามาก็จะต้องใช้พิจารณาแล้วย่อมอดกลั้นของอย่างหนึ่งย่อมอดกลั้นของอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามจะเป็นสภาวะอย่างหนึ่งจะเป็นอาการอย่างหนึ่งเอ้ไอนี่เราก็ต้องอดกลั้นมันอย่าให้มันเข้าอย่าให้มันเป็นอย่าให้มันมีอย่าให้มันเกิดมันใจมันจะเกิดอย่างนี้อยากเกิด อดกั้นมันมีขัดขดจัดออกจะให้มันมีอดกั้นฝื้นทําออกแล้วให้มันมาอยู่จุดที่พึงเสพพึงอาศัยพิจารณาและพึงเสพตัวพิจารณาเหมือนกันหมดทั้ง4ลักษณะพิจารณาเอาอันนี้นะ้าไม่เอาอันนี้อาศัยอันนี้ให้ได้อันนี้ดีกว่าอาการอย่างนี้ดีกว่าอารมณ์อย่างนี้ดีกว่าสภาพงนี้ดีกว่า อาตมากาลังแม้กระทั้งอาศัยพูดถึงมาให้หยาบขึ้นเอาหน้าเราอาศัยการใช้มีใช้มือใช้ไม้งี้บรรยายกับคุณดีกว่าอาตมาก็พิจารณาอย่าใช่เลยมือไม้ไม่ได้เราวงนี้เขาติต้องไว้เก็บมือเดี๋ยวก็หาว่าไม่สุภาพสอนแล้วไม่ศรัทธาแหนชีโบชีเบ้ชี้มือแสดงท่าทางนี้มากไปไม่ดีเก๊กมากกว่านี้หน่อยดูซีเรียสกว่านี้หน่อยเพราะฉะนั้นบางคราวตรงนั้ต้องเก๊กซีเรีย ทีหน้าศีตาขมึงถึงเอาเป็นเอาจริงแอดเป็นผู้ใหญ่บางทีก็แสดงสนุกเหมือนเล่นกันเป็นกันเองเหมือนเล่นแต่ก็ไม่ถึงเล่นหรอกนะเป็นกันเองเหมือนเล่นสนุกบางทีก็ดูว่าอย่างไรเราจะพิจารณาแล้วอาศัยและอันนี้อย่าทำเลยอดกลั้นเลิกเถออาการนี้อดกลั้นถ้าเราจะต้องถึงอาการต้องอดกลั้นอยู่สาหรับบางคน จิตยังไม่ไมเป็นมุตทุจิตยังไม่อ่อนละเอียดยังไม่แววววยยังไม่เชื่องปรับเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องอดกลั้นกันยาล้วยาอยากให้เป็นอย่างนี้นะเพราะทุกอย่างมาจากจิตจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงอาการกายอาการวาจาก็ไปจากจิตทั้งสิน้นเพรา ะ, ะนั้นเราควรจะพูดมาอย่างนี้แหมใจบางทีมันมีกิเล่มันอยากพูดมัอยานะ้อดกลั้นไว้อย่าพูดเลยไม่ควรนะพิจารณาก่อนพิจารณาใน ด, ดีไม่ควรพูดแล้วเร ล, ลดเถอะเปลี่ยนเถอะ ก็เปลี่ยนเสียเมื่อเปลี่ยนก็ต้องถ้าเผื่อว่ามันยังมีใจตัวอยากดันดันเป็นสังขาริี่กังอยู่เรียกว่าตัวดุนตัวดันตัวเชื้อของจิตที่มันยังมีแรงอยู่ก็ต้องอดกลั้นมันไว้อย่าแก่จะดันเอาถ้ามันไปออกกายกรรมอย่างนั้นอยากให้ไปออกวิจีกรรมอย่างนั้นดันมันไว้อดกลั้นไว้อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นภาคปฏิบัติของผู้ที่ยังต้องอดกลั้นต้องปรับปรุงต้องปฏิบัติ พิจารณาแล้วย่อมเว้นของอย่างหนึ่งทำให้มันขาดได้อดกลั้นก็คือลักษณะอาการที่กระทาเว้นก็หมายความว่าเอาให้ขาดเว้นให้ได้จนเป็นการเว้นของอย่างหนึ่งหรือเว้นสภาวะอย่างหนึ่งเว้นอาการอย่างหนึ่งก็เว้นได้จริงๆพิจารณาแล้วเว้นเพราะงั้นผู้ที่มีฤทธแรงเก่งขึ้นก็จะอย่าว่าจะอดกลั้นเลยเว้นได้เพราะฉะนั้นเขาก็เอาคาพวกนี้มาแปลโดยอัด โดยความหมายปฏิเสวนาแปลว่าพึงเสพผธิตพิจารณาแล้วเสพหรือคบคุณอธิวาสนาแปลว่าอดกลั่นปริวัชนาแปลว่าเว้นขาดก็ลักษณะไล่กันเหมือนกันมันยายไปแล้วมันก็ไม่เห็นมันต่างอะไรกันถ้าใครจำได้อัตมาก็ไม่ได้บิดพรวนะนี่มันของจริงก็พึงเสพ แล้วก็พึงเว้นพึงอดกลั้นก่อน อ, ธ, อธิวาสนาก็แปลว่าอดกัน้นก็คือให้มันได้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นเมื่อมีภาคปฏิบัติก็อันี้ไม่ดีเราก็ต้องพยายามขจัดอดกลัน้นฝืนยังไงก็ต้องทนเอาจะมีปัญญาพิจารณาอย่างไรก็พิจารณาให้มันเบาบางง่ายให้มันไม่ต้องอดยากให้มันไม่ต้องอดลําบากให้มันอดได้ง่ายให้มันอดกลัน้นให้มันกลั้นได้ง่ายให้มันกระทําการ ตัดอันนั้นไปให้ได้ง่ายๆเพราะตัดได้ก็เป็นเว้นตัดได้เว้นได้หยุดเออไม่ต้องไม่มีละขาดไปไออาการนั้นหยุดไปสภาวะนั้นเลิกไปได้เว้นได้แม้ประเดี๋ยวมันมาอีกเว้นได้แล้วมันก็มาอีกก็เว้นไปเว้นมาอยู่นั่นแหละเว้นก็ต้องตัดมันอีกเว้นอีกปัดตัดพอเว้นแล้วมันมาอีกกตัดมันใหม่เว้นมันใหม่ทาอยู่แล้วอยู่เล่า จนสุดท้ายพิจารณาแล้วย่อมบรรเทาของอย่างหนึ่งก็เข้าล็อกสัพพะสวะสังวรสูตรปก๊กอีกเหมือนกันวินโนธนาเนี่ยแตมายังไม่ได้ไปเปิดพระบาลีดูนะหมวดนี้ก็ยังไม่ได้ไปเปิดพระบาลีสําหรับหมวดนี้เลยแต่มาดูแลเอ๊ะมันเข้ากับล็อกทัศนาสังวราปฏิเสวนาอ่านี่เลยเริ่มตั้งแต่ปฏิเสวนาพอพิจารณาแล้วเสพนะ พิจารณาและอดตั้นก็อธิวาสนาพิจารณาแล้วย่อมเว้นก็ปริวัชนาะพิจารณาแล้วย่อมบันเทาก็วิโนธนาสี่ตัวนี้เรียงกันป๊อกอยู่เลยก็เข้าใจง่ายขึ้นเพราะเราเคยจำไอ้สี่ตัวพวกนั้นเราสอนกันมามากแล้วสัพสวรสังวรสูตรมันก็เพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นที่พักพิงอาศัยสี่ประการอย่างไรก็สี่ตัวนี้แหละ จำง่ายๆพิจารณาแล้วพึงเสพิจารณาแล้วพึงอดกลัน่นพิจารณาแล้วพึงเวน้นพิจารณาแล้วพึงบรรเทาอาการอย่างไรเมื่อทําได้มากๆมันจะบรรเทาเพราะฉะนั้นเมื่อเก่งขึ้นเว้นขาได้บ่อยๆทําง่ายขึ้นนั่นก็คือมันบรรเทาแล้วก็บรรเทาและใช้ลักษณะบรรเทานั่นเลยใช้ลักษณะวิโนทนานั่นเลยมันก็จะผ่านเข้าไปเรื่อยๆทําบ่อยๆอีก นี่แหละเราอาศัยเราพักผิงลักษณะอย่างนี้เรื่อยๆไปมันก็จะเข้าสู่ภาวนาในสัภาสวะสังวรสูตรปิโนธนาแล้วก็ภาวนาการเกิดผลก็จะเป็นผลไปสู่ผลเพราะฉะนั้นในนี้ก็ไม่ต้องพูดตัวภาวนาเพราะภาวนาเป็นตัวเกิดถ้าทําคุณทําบันเทาได้จริงคุณทําได้ถึงขั้นบันเทาอ่าทำไมคุณจะต้องไปทําตัวยากละ่ะจะต้องไปอดกลัน้น อ, อดกัน้นเราก็ฝึกมาแล้วไม่ต้องอดกัน้นมันง่า ย, ายบันเทาเบาบางสบายสบายคุณก็ใช้ตัวบรรเทาไอ้นี่อย่างนี้เหร อ, อ, อไอ้นี้ไม่เอาอันนี้เปลี่ยนด้วยอย่างบรรเทาก็เอาบรรเทาใช้ทีนี้คุณจะไปถึงขั้นคุณเก่งเป็นบรรเทาหรือต้องอดกลั้นอยู่หรือว่าเว้นได้บ้างได้เป็นทีละรอบทีละรอบทีละรอบก็แล้วแต่คุณ <c oughs> อันนี้ก็อาศัยพักพิงอาการปฏิบัติด้วยลักษณะ4นี้แหละ แม้ที่สุดสุดท้ายบอกแล้วว่าสุดท้ายคุณก็มาอยู่ที่ตรงเสวยหรือ พ, พิจารณาแล้วพึงเสพพิจารณาแล้วอาศัยคุณจะอาศัยฐานไหนที่เป็นฐานที่พอเป็นไปเสร็จแล้วก็มีความหมายอยู่ในใจที่ได้แนะแล้วก็แล้วก็ปล่อยอยู่ปล่อยอยู่อย่าไปหลงยึดมั่นว่าเป็นตัวของตัวทุกอย่างต้องพรากจากกันแม้แต่ฐานอาศัยที่ดีเป็นฐานขนาดสัอุปาทิเสสนิพาน สิ่งที่เป็นรูปนามขันหน้าเลืออยู่สุดท้ายแ ล, แล้วเราก็อาศัยสิ่งนั้นเป็นเครื่องอาศัยไปเพราะมันเป็นส่วนเหลือสอุปาทิเสสสามายเขามาเป็นสิ่งที่เหลือก็อาศัยสิ่งเหลือนั้นนะอันนี้อธิบายให้ฟังละเอียดละเอียดนะคุณก็พยายามเข้าใจดูต่อมาดูกระภิกษุตรทั้งหลายก็พิกษุเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะบรรเทาแล้วนะมีสัจ จะมีปัดเจสัจจะบรรเทาแล้วอย่างไรก็สัจจะปัดก็ปัจเจศัจจะปัจเจสัจจะเป็นอันมากเหล่าใดเหล่าหนึ่งของสมณพรามเป็นอันมากคือศัจจะที่ว่าโลกเที่ยงบัางโลกไม่เที่ยงบัางโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างชีพก่อนนั้นสรีระก่อนนั้นบ้าง ฉ ja. ja. ja. ja. ja. ja. uh, ีเป็นอื่นสรีระก็เป็นอื่นบ้างสัตว์เมื่อตายแล้วย่อมเป็นเป็นอีกบ้างสัตว์เมื่อตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกบ้างสัตว์เมื่อตายไปย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีบ้างสัตว์เมื่อตายไปย่อมเป็นอีกก็หามิได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หามิได้บ้างอ่าพวกนี้เป็นเรื่องปัญหาโลกแตก10บข้อนี่ เขาก็ถกกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้ามาเดี๋ยวนี้ก็ยังมาถกกันอยู่พวกสัพป ร, รังเคพวกนี้เนี่ยก็คงอยู่กับความสัพป ร, รังเคนั่นเรื่อยไปปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสัพป ร, รังเคใช้ศัพท์นี้คิดว่าของเขาท่าเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเองคุณมีปัจเจคือส่วนตัวคุณเกิดสัจจะปัจเจกสัจจะบันเทาคุณบันเทาความเป็นปัญหา ในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องสัปพลังเคสิบอย่างนี้คุณบรรเทาได้ไหมอาตมาแน่ใจว่าพวกคุณมาศึกษากอาตมานี่คุณไม่ต้องมาถกเถียงไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลำบากใจหรอกว่าจะเกิดใหม่อีกไหมหรือไม่เกิดใหม่อีกไหมโลกคืออะไรโลกนี้มีโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงอาตมาว่าคุณเข้าใจเกิดการรู้ไตร ล, ลักษณ์เกิดการรู้ความจริงและเกิดตัวสภาวะที่จะพิสูจน์อะไรจนกระทั่งไม่ต้องไปยุ่งอยากหรอกไอ้เรื่องนั้นเขาจะเถียงไปแล้วมันก็ไม่รู้ เกิดไปแล้วตายแล้วคอยไปรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องคุณไม่ต้องสงสัยชีพก็อันนั้นชีวะก็อันนั้นไม่อันนั้นอะไรก็แล้วแต่ในปัญหาสิบข้อนี่แจกละเอียดแล้วเขาก็สรุปกันมาแค่สิบข้อนี่ทกกันมาเทียงกันมาตั้งแต่ยุคไหนต่อยุคไหนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีพวกสปารังเคหรือพวกคอนเซ r ร์เวทีพวกอนุรักษ์นิยมจะต้องไปถกปัญหาพวกนี้ซะก่อนสี่รู้เรื่องพวกนี้ซะก่อนแล้วฉันจะถึงจะสอน เออแล้วฉันต้องจะเรียนจะนต้องจะเป็นลูกศิษย์ฉัต้องจะมาปฏิบัติพระบริจาา ก, ก็เที่ยวไปฟังว่าปวดโถเอยมันก็เหมือนไอ้คนไปถูกยิงแล้วลูกศอนอาบยาพิษมาจะตายชักแดกๆๆอยู่เนี่ยพอมาถึงก็บอกว่าเอา้ารีบพ า, าลูกศร อ, ออกไม่เอา้าฉันจะต้องรู้สั ก, ก่อนเราโทไปรูป้ปัญหาสัประรังเคือเมื่อไหร่มันจะได้รู้ละ่ะฉันจะต้องรู้สั ก, ก่อนว่าใครยิงมาคนยิงชื่ออะไร อาบยาพิษอะไรไม้นี่ไปตัดมาจากป่าไหนมายิงฉันโอ้ยตายพอดีเขาบอกว่านี่พาวซอนออกนี่พาวซอนออกอย่าไปมังหาปัญหาสัพดังเคนันมาเลยไปมังคิดอยู่ยงั้นตายก่อนแล้วก็ตายมาแล้วหลายล้านล้านล้านล้านล้านล้านลานคนคุณจะเป็นหนึ่งในนั้นอีกก็นิมนต์คุณจะเป็นหนึ่งในนั้นอีกก็นิมนต์เชียว จะไปถกปัญหาสัพปรังเคหรือปัญหาโลกแตกอันนี้อีกไม่ต้องถกมาเอานี้มาผ่าลูกสอนออกกิเลสเป็นอะไรทุกข์เป็นอะไรมารู้เหตุมาล้างมาละมาปลดปลงไปแล้วปัญหาสัพปรังเคพวกนี้คุณจะเกิดปัจเจกสัจจะบรรเทาคุณจะเกิดการบรรเทา เ, บ า, เ บ, าบาบางการที่จะไม่ต้องสงสัยค่อยรู้ค่อยเห็นเพราะมันเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วมันจะคลุมการรู้ปัญหาเหล่านี้เองคุณรู้สึกไหม รู้สึกไหมเอาชี้มาทางนี้หน่อยไม่ใช่อีซายมัง่งรู้สึกไหมคุณรู้สึกไหมแล้วเราไปถามท่านพิสุทโธ น, นั่นแหละไม่ค่อยพูดฝึกหน่อยฝึกหน่อยปเดี๋ยวมันจะใบเอาแต่เคี้ยวข้าวอย่างเดียวมันก็เคี้ยวข้าวได้แต่มันใบคุณรู้สึกไหมสัจจบรรเทาในปัญหาสิบข้อนีรู้สึกว่าเราบรรเทาลงไหม แต่ก่อนนี้คุณลองย้อนทวนไปตั้งแต่ก่อนจะมาเรียนมาปฏิบัติกันเราเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันคล่องใจเออมันจะรู้ได้ยังไงนะมันจะละคลายได้ยังไงหรือมันทำไมยังไงมันอยากรู้อยู่บ้างจนกระทั่งความอยากรู้ก็ลดลงและความเข้าใจความที่ไม่ต้องเออเราพอเข้าใจแล้วพอรู้แล้วโลกนี้โลกหนาอย่างง้นอย่างนี้โลกเทียงไม่เทียงสรีระชีวะอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งถึงว่าสัตว์ตัวตายไปแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดเกิดบ้างไม่เกิดบ้างจะเกิดก็หาไม่ได้จะไม่เกิดก็หาไม่ได้อะไรเนี่ย ในปัญหาแง่มุมอย่างเนี้ยเอ๊ะเราไม่ไม่ไม่ค่อยสงสัยแล้วค่อยบันเทาลงมาเกิดปัจเจกสัจจะบันเทานี่ไหมบันเทาในใจแน่นะนี่คือลักษณะสัจจะบันเทาโดยส่วนตนปัจเจกตนเกิดเองไม่ต้องคนอื่นคนอื่นเขาจะมาบันเทาเราไม่ได้เราจะบันเทาได้เพราะเราเกิดยานถ้าคุณได้ปฏิบัติเนี่ยพยายามเป็นผู้ละองห้ามาสวอสํารวมอินทรีย์หกมา รักษาใจเป็นด้วยสติมามาเรื่อยๆจนกระทั่งแล้วก็ปฏิบัติสัพพสังวรสูตรมาเรื่อยๆจริงๆหรือแม้แต่ยนย่อเอามาพิจารณาแล้วเสดถึงสี่ระดับมีองค์ธรรมสีนี้ขึ้นมาจริงๆเรื่อยๆแน่นอนในปัจเจคุณจะเกิดตัวเองก็จะเกิดสัจจะเหล่านี้บันเทาคุณจะรู้สัจจะจะเกิดสัจจะและบันเทาความข้องใจสงสัยไปเรื่อยๆเรื่อยเองอย่างนี้คุณเกิด ต่อมาท่านก็บอกว่ า, างี้สัจจะเหล่านั้นทั้งหมดเป็นของอันภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรเทาได้แล้วกำจัดออกแล้วสลัดได้แล้วคลายได้แล้วพ้นได้แล้วละได้แล้วสลัดได้เฉพาะแล้วอาตมาบอกคุณได้ว่าอาตมาสลัดได้เฉพาะแล้วปัญหาสิบอย่างนี้แม้จะอธิบายไม่ได้และแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่อธิบายบอกเราไม่อธิบายหรอก ไอ้ปัญหาสับ ป, ประรังเค10อย่างนี้มาถามเรามีคนไปถามท่านใครไปถามมาลุกกระย้หรือเปล่าใช่ไหมมาลุกกระย้่ะใช่ไหมเนีมาถามปัญหาสับ ป, ประรังเค10ข้อนี่พระพุทธเจา้าถะบอกมาลุกกระเราไม่พยากรเลยสิบข้อนี้เสร็จแล้วเราท่านก็บอกมาม า, มาปฏิบัติอย่างนี้พราะปฏิบัติมาแล้วเข้าล่องเข้าช่องมามันก็จะมาบรรเทาเอง นอกจากบรรเทาแล้วก็จะไปได้เรื่อยๆกําจัดออกไปสลักออกไปคลายได้พ้นได้ละได้สลัดได้เฉพาะไปเลยอาตมาแน่ใจว่าอาตมาไม่มีปัญหาใน10ปัญหาสับปะรังเขนี้ไม่มีความคลองใจใน10ปัญหาปะรังเขนี้ปัญหาสับปะรังเขไม่มีความคลองใจจริงๆและไม่ต้องไปทําพยากรณ์พยากรณ์ยังไงก็ไม่รู้เรื่องพูดกันยังไงบรรยายกันยังไงก็ไม่ค่อยเข้าใจได้ มันจะบรรเทาความสงสัยไปได้ด้วยการปฏิบัติเข้าร่องมาจริงๆนี้เป็นอีกอย่างห น, น, นึ่งนะเพราะงั้นนี่เป็นธรรมเครื่องอาศัยเป็นธรรมของอริยะผู้ใดมีจังนี้ก็มีอยู่พูดไปนี่ถ้าคุณเข้าใจแล้วเออจริงด้วยนะที่นี่เราไม่เคยถกกันเลยเรื่องปัญหาเหล่านี้เราไม่เคยพูดแต่เราบรรเทาบรรเทาบรรเทาไปเรื่อยนะใครแน่ใจว่าหมดความสงสัยพ้นวิจิกิจฉาแน่แล้วเราสละพ้นโดยเฉพาะได้แล้ว เราสลัดได้เฉพาะแล้วคุณก็จะรู้ตัวเองว่าเออเราสละดพ้นได้เฉพาะดูกระพิสู์ทั้งหลายพิสูตเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้แล้วอย่างนี้แหละไม่ต้องไปทำอะไรมันแต่ปฏิบัติให้ถูกทางมาแล้วคุณจะเกิดเป็นธรรมะอันเป็นที่อยู่แห่งพระอริยะเองอันนี้ก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งเป็นข้อที่ห้า หนึ่งสองห้าแล้วเอาที่นี้ข้อที่6ดูกระพริกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีการสแสวงหาอันสละได้แล้วมีการสแสวงหาอันสละคือสละการสแสวงหานีนสำนวนภาษาของพระไตรปิฎกมันก็เข้าใจยาก ง, งี่ถ้าตมาจะมาพูดเป็นสำนวนใหม่ซะก็บอกได้ว่าก็ภิกษุเป็นผู้มีการสแสวงหาอันสละได้แล้วด้วยดีก็คือเราไม่ต้องสแสวงหาอีกแล้ว แต่ก่อนเราต้องสแสวงหาเดี๋ยวนี้เรามาถึงขั้นอันสละการสแสวงหานั้นได้โดยดีแล้วไม่ต้องสแสวงหาอีกแล้วอย่างไรพิสูนุนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละการสแสวงหากามได้แล้วฟังให้ดีนะเป็นผู้ละการสแสวงหาพบได้แล้วเป็นผู้สงบระงับการสแสวงหาพรหมจรรย์ได้แล้ว ดูกะระลับพิกษุทั้งหลายพิกษุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้แล้วด้วยดีอย่างนี้แลถ้าใครเข้าใจจำนวนนี้ง่ายๆมันก็จบในตัวก็เป็นผู้ที่เป็นพระหรือเป็นอริยะผู้มีธรรมะเป็นที่อยู่ได้แล้วเพราะเราหมดแสวงหาเรียกว่าการแสวงหาอันสละได้แล้วการแสวงหาก็ไม่ต้องแนละ้ว เพราะอันสละได้แล้วนี่สละการสแสวงหาไม่ต้องสแสวงหาเพราะเราได้ละอะไรออกไปหมดหนึ่งละกามไม่ต้องสแสวงหากามอีกขณะนี้คุณมีการสแสวงหากามน้อยลงใช่ไหมใช่ไหมเป็นการสแสวงหากามแต่ก่อนนี้โอ้โหเขายั่วคุณคุณก็เมาเลยไปบ้าจีดแสวงหากามตามเขาศอกศอก โอ้ยอัตมาพูดอย่างนี้อะไรมันขึ้นในภาพที่จิตภาพหมาน้ําลายยไหลอัตมาพูดร่าซอกซอกเนี่แล้วมันมีซ้อนคือจิตอัตมามันปรุงเร็วเนะ่แล้วอัตมาก็เอาภาพจิตอัตมาพูดว่าแม้ซอกซอกภาพที่ต่อมาที่จะมาพูดเป็นวิจีสังขารในคุณก็คือมันออกมาเป็นภาพก่อนแต่มันไม่เป็นภาพมลิกเกอหรอกนะ เห็นภาพหมาที่มันวิ่งเหนื่อยซอกๆน้ําลายเย่อยื่อเยื่อเยอโอ้ยเหมือนหมาน้ําลายหลอย่างนั้นจริงๆมนุษย์มันวิ่งหากรามมนุษย์มันวิ่งหากรามอย่างนั้นจริงๆนะฟังดีๆลโอแต่บัดนี้คุณได้เลิกการแสวงหากรามมาแล้วและถ้าคุณตอบตัวเองได้ว่าเราเป็นผู้ละการแสวงหากรามได้แล้ว มีธรรมอนอาศัยของอริยะเป็นผู้ละการแสวงหาพบได้แล้วแม้แต่จะเป็นนั่งเอาในพบของจิตแม้มันมันก็เหมือนหมาน้าลายไหลตัวนั้นเหมือนกันไม่ต้องแสวงหามันมีเองเพราะฉะนั้นผู้ที่น ไ, ไม่ต้องเอาพบนอกกางสวารทั้งห้าก็ไปหามาเสพตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เอาพบในจะต้องไปติดรูปประัานแบบฤษีไม่เอา มันมีเองอาศัยมันมีเองสภาพอาศัยมันมีเองใจที่จะอาศัยอาศัยความวางว่างอะไรมันมีเองตามที่บัดผ่านมาแล้วรักษาใจไว้เถอะแล้วพึงเสพพึงเสพเออตอนนี้อาการอารมณ์ปมมุชชะอย่างนี้ก็เสเว อ, อยู่างนี้สัปดาหอามันจะสุญญภาพตอนนี้มันไม่มีางานอะไรนั่งเฉยเฉยว่างๆน่ะแตมาสมมุติสักหนึ่งนาที อ, อาณาปานสติหนึ่งนาทีย่อยๆใครจว่างบ้างอะอาตมาก็นั่งว่างๆอาตมาก็พึงเสบว่างๆนั้นไม่ต้องเป็นนั่งสร้างพบเอาจะทํางานก็อาศัยสภาพนั้นพึงอาศัยพักพิงอันนั้นเป็นเครื่องอาศัยก็ทํางานขณะนี้กําลังทํางานแม้มันจะมีะเจ้ามารายมันมาทําเช็ดขีมูกไปอะไรไปบ้างก็ไม่เป็นไร ก็อาศัยอาการนี้อารมณ์อาการของอาตมาก็อาศัยได้สบายนะและไม่ต้องไปปั้นเสพไม่ต้องแสวงหาพบไม่ต้องไปปั้นสร้างจะอาศัยอะไรพึงอาศัยพิจารณาแล้วก็พึงอาศัยพึงพักพิงอาตมาก็พิจารณาแล้วอาตมาควรทําอย่างนี้ก่อนที่จะมาเทศน์นี่อาตมาก็ถามตัวเองพิจารณาก่อนวนะ่าเอ็นี่เรารู้สึกมันจะเป็นหวัดนะมีไข้ไหม อาตมาก็ดูว่าอาตมาไม่มีไข้จะสู้ได้ไหมวันนี้เดี๋ยวเย็นจะต้องกลับไปปฐมละสู้ได้มอมองดูงานสิเอออธิบายค้างไว้นะเมื่อวานนี้วันนี้ควรจะอธิบายต่อซะจะได้ติดต่อผู้ทีวิวเมื่อวานหวันนี้ก็ได้ติดต่อไปไมันก็จะค้างไปอีกหลายวันนะเห็นความความพิจารณาแล้วท่านพระพุทธโอไปถามว่าจะลงสลาไหมตอบได้เมืเพาะพิจารณาแล้วลง ก็บอกมาอย่างนี้เป็นต้นอัตมาก็อาศัยพิจารณาเสมอตัวเองว่ามันสมควรไหมมันพอไปไหมแล้วเราเป็นไงทุกข์ไหมไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ทรมานเกินไปอัตมาบรรยายนี่อยู่จริงมันมีสภาวะของมันแต่ก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรแล้วเราเป็นอภิชาวิสมะโลภะไหมแหมพะอยากจะสอนเหลือเกินนะเอ๊ะเราก็ไม่ได้มีอะไรนะถ้าพักก็เบากว่านี้ถ้าพักก็สบายกว่านี้เบากว่านี้สบายนี่เป็นแบบ กิเลศหน่อยๆมันไม่กิเลศหรอกมันก็เบาอ่ะมันก็ง่ายกับนี่อแต่ที่ไม่ง่ายก็มาทํางานก็เป็นคุณไหมเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าวันนี้วันอาทิตย์ด้วยแต่คนมากหน่อยนะเออก็ดูนะมันก็น่าทํามันก็น่าจะเป็นไปผู้เรียนตั้งเมื่อวานนี่ก็มีวันนี้ก็นอนค้างคืนมานี่อีกอยู่อุโบสถก็ควรจะต่อสูตรนี้อีกมันก็ดีนี่นะเห็นเหตุเห็นผลแล้วพิจารณาแล้วทําประโยชน์เป็นกุศลถึงพร้อม อาตมาก็ยังกุศลให้ถึงพร้อมดังนี้นะไม่เป็นนั่งสแสวงหาพบถ้าอาตมาติดพบหน่อยเออถ้ามีใจอีกตัวหนึ่งเป็นตัว ส, สังขาริกังมันบอกว่าเฮ้ยอย่าเลยเอ า, เ, อ า, เ, อาเรื่องนี้ไปแก้ได้ก้นน้ำหมูกมันไหลจริงจริงเนี่ยไปอ้างได้ไม่มีใครติเราหลอกแล้วก็นั่งเสพอยู่เฉยเฉก็อาตมาก็ทําได้แต่อาตม า, ตตมาว่าอาตมาไม่ต้องรออาตมาเด็กก็พักพอหมุนเวียนนี่มันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรพอเป็นได้นะ่ะเอาหนะ้าเราปรุงพอประมาณ ใช้พอประมาณเมื่อต้องไปทําให้มันแรงกว่า น, นี้ก็ประมาณเอาและอาตมาก็ไม่ได้จิตพบอาตมาก็รู้นะไม่ไม่มีเถียงนะว่าก็นั่งอยู่เฉยๆว่างๆนี่สบายกว่าทํางานเบาวกว่าทํางานง่ายกว่าทํางานพระโพธิลักษณ์นี่แสนเจ๋งชัดเจนแจ่มใสไม่เถียงเลยแต่เราควรนะเราพิจารณาแล้วเราควรพึงอาศัยหรือพักพิง สภาพใดอยู่เพราะงั้นคนจึงอยู่โดยพิจารณาสภาพนั้นแล้วไม่ติดไม่ติดภพไม่ติดกามถาอาตมามีลักษณะลือศีมากอาตมา ก, ก็ต้องนั่งพักแล้วอะไรนิดอะไรหน่อยก็แก่ตัวเขอพั ก, กนิดกาอะไรนิดอะไรก็พักพอพักมันง่ายกว่าแต่อาตมารู้ไม่เป็นไรเราอาตมาตายแล้วอาตมาจะได้พักกว่านี้อ่ะ จะได้สงบตอนตายแล้วจะไม่ควรคุณเลยคุณก็จะกวนอาตมาไม่ได้เมื่อตายแล้วอาตมาพักแน่แต่ตอนนี้ยังไม่ตายพอทำได้อาตมาก็คิดว่าพอทำได้นะประมาณไม่ไม่ทรมานตนเองเกินไปและไม่ได้ทำพูดไปใหญไม่ได้ทำแลกลาบยศเรินเฉิญอะไรคุณด้วยคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามไม่ได้ทำเพื่อแลกลาบยศเฉริไม่ได้เป็นไปเพื่อโลกีไม่ได้เป็นไปเพื่อกาม ทำนี่แหละโอ้โหมันดีอร่อยรูปอร่อยรสอร่อยกลิ่นอร่อยเสียงอะไรก็เปล่ไป า, ามไม่ได้เป็นไปเพื่อแสวงหา ก, กาม ไ, ไม่ได้เป็นไปเพื่อแสวงหาพบเป็นผู้สงบระงับเป็นการแสวงหาพรหมจรรย์ได้แล้วนอกจากเป็นผู้ละการแสวงหากรมเป็นผู้ละการแสวงหาพบแล้วก็เป็นผู้สงบระงับการแสวงหาพรหมจรรย์ได้แล้วถ้าอตาตมาบอกว่าอตาตมาเป็นพระอร uh หันต์อาตมาก็อยู่จบพรหมจรรย์ อาตมาก็หยุดการแสวงหาพรหมจรรย์เพราะเป็นผู้สงบระงับการแสวงหาพรหมจรรย์ได้แล้วก็หมายเขาว่าเป็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์ก็ใช้สานวนว่าเป็นผู้สงบระงับการแสวงหาพรหมจรรย์ได้แล้วก็จบเลยการแสวงหาอื่นอีกไม่มีแล้วเป็นอันละได้แล้วหมดเป็นผู้มีการแสวงหาอันละได้แล้วด้วยดี เป็นผู้มีการแสวงหาเป็นผู้มีการแสวงหาอันละได้แล้วโดยดีเพราะเป็นผู้ระ ง, งับเป็นผู้สงบระ ง, งับการแสวงหาแม้แต่พรหมจรรย์ก็ได้แล้วได้พรหมจรรย์แล้วคือได้ศาสนาทั้งหมดได้ธรรมวินัยได้สถานภาพของพรหมย่อมพึงเสพหรือพึงเสวย หรือพึงอาศัยพักพิงสถานภาพของพรมเป็นตัวงานเป็นตัวเป็นไปหรือไม่เรียกว่าพรมใช้อีกคำหนึ่งว่าก็อาศัยสถานภาพของความเป็นก็สเป็นพระเจ้าเราจึงเป็นฉายาของพระเจ้าเราจึงเป็นบุตรบุตรของพระเจ้าเราจึงเป็นตัวพระเจ้าเองนั่นแหละเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนยังไง พระเจ้าเป็นคนสร้างสรรค์พระเจ้าเป็นคนกรุณาปราณีพระเจ้าเป็นคนเมตตาเอื้อเฟือ้อถ้าเอาอย่างพรหมกับพระเจ้าเป็นผู้อาศัยสุดทาว่าอาศัยสภาพเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาจนละเอียดไม่น้อยไม่ยิ่งกว่าใครเป็นกนิษฐาพรหมไม่น้อยไม่ต่ำกว่าใครให้ได้คือเป็นคนที่มีความดีงามสูงสุดให้ได้ มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่อยาไปยึดว่านี่เป็นแดนจะต้องไปเกิดไปตายไปเป็นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเราไม่เคยไปเกิดสุดท้าวาาแต่พอพูดจบท่านก็นไปสุดท้าวา่านี่มีสูตรสอนอยู่พระสูตรบอกพอพูดจบท่านก็เหมือนเหยีดแขนเข้าหยีดแขนออกท่านก็นไปสู่สุดท้าวา่าเทวดาทั้งหลายก็มาห้อมล้อมฟ้องในนันฟ้องในี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ทูลท่านท่านก็แก้ปัญหาให้คือไปแสดงมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาช่วย นี่อธิบายเป็นบุคลาธิฐานอธิบายเป็นธรรมธิฐานก็คืออย่างนี้อยู่นะถ้าจะว่าไปแล้วอย่าหาอาตมาเทียบกับพระพุทธเจ้าละพร อ, อธิบายพระพุทธเจ้าเขาปับแล้วเราก็อธิบายตัวเราเองแล้วก็เลยคุยแม้เทบเคียงกับพระพุทธเจ้าคนก็มันไส่แต่พวกคุณคงไม่มันไส่หรอกนะอาตมาก็เจตนามีเป็นมีเมตตานะจิตของเราว่าจะเมตตาอย่างอาตมาคิดดูทบทวนก่อนตัวตื่นนอนขึ้นมาเอ๊ะ เราจะสอนได้ไหมมันมีอาการอยู่เหมือนกันนะอาการไม่สบายอาการป่วยยังไม่เรียกไม่สบายข้างเาไ ม, ไม่สบายในใจาอาตมาไม่มีอาตมาสบายใจแม้เป็นป่วยได้ไหมอาตมาพิจารณาแล้วเสร็จก็เออได้อา้านั่นคือเมตตาเกิดแล้วอาตมาก็คือมาเกิดที่เมืองสุทาวาต จิตเมตตาก็เกิดจิตกรุณาก็มาทําแล้วนี่มีมุทิตาเอาคุณได้ดีก็ดีเป็นะเออนี่สอนแล้วก็ได้ดีนะบางคนสอนแล้วก็โอ้ยไม่ได้เรื่องอะไรเลยก็ได้จะสงสารก็ปล่อยไปก่อนคนหลายคนได้อีกคนไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนอช่วยคนตกน้ำร้อยคนเอาช่วยเก็บได้60 70 80อีกสิ 10, จมน้ําต่อหน้าต่อตาก็ต้องจมไปก่อนมันหมดมือแล้วนี่หมดแรงแล้วนี่ สามารถเท่านี้เพราะฉะนั้นบางคนก็อย่าหาว่าใจดําไม่ช่วยดึงบ้งเลยบางทีก็ช่วยแหมมันก็อึกอึ ก, อ, กอึกน้ำมีเห็นจัดๆก็ดึงเพิ่เยอะกันเมื่อก่ อ, อแล้วก็ช่วยทางนี้ทางนี้มันเขาช่วยตัวเองได้บ้างแล้วก็เอาจะรอดจะพ้นไอคนนี้ก็ดึงมาบ้างดึงไม่ได้ก็บอกจมไปาตายเห็นแล้วตายตายเต่าซัดไปแล้วด้วยเนะี่ยปลาซัดไปแล้วเอาตายตายก็ตายกันก็มีอย่างนี้นะ เป็นการช่วยเป็นการเกิดจิตเพราะฉะนั้นอาศัยทิพยที่พักพิงสูงสุดเมื่อผู้ที่สูงสุดพ้นการเสพ ไ, ไม่ใช่พ้นการเสพไม่ต้องหาพรหมจรรย์ไม่ต้องแสวงหาแม่พรหมจรรย์อีกก็ได้พรหมจรรย์แล้วได้ศาสนาแล้วได้ที่พักอาศัยของชีวิตอันแสนสบายอาันแสนสมบูรณ์แล้วก็เป็นผู้สงบประณําการแสวงหาพรหมจรรย์ได้แล้วดูกระเพิกสุดทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้แล้วอย่างดีไปด้วยแล้วสละได้แล้วด้วยดีอย่างนี้แล้วนะอันต่อมาดูจระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีความดำริไม่ขุนมัวอย่างไรมีตีตลกมีตีตลกอีกไม่มันมีเศษเลื่อยอ่ะนะไม่ขุนมัวอย่างไรภิกษุในเทวมินัยนี้เป็นผู้ละ ความดำริในกามได้แล้วเป็นตัวเศษผิวของแม่แต่ดำรินี่เป็นตัวสังกปะอ่านเข้าไปการงานก็มาจากสังกปะเป็นตัวจิตเป็นตัวคิดเป็นตัวตักกะวิตกะเป็นตัวดำริเป็นตัวริเริ่มนะเป็นผู้ละความดำริในกามได้แล้วเป็นผู้ละความดำริในพยาบาทได้แล้วเป็นผู้ละความดำริในวิหิงสาได้แล้ว ดูกราภิสุท์ทั้งหลายภิสุทเป็นผู้ดำเป็นผู้มีความดำริไม่ขุนมัวอย่างนี้ที่ไม่มัวเพราะมิจฉาสังกับะสมไม่มีเลยไม่มีต ก, กะวิต ก, กะที่มีสภาพของกามประกอบที่มีสภาพของพยาบาทประกอบป่วยการกล่าวไปใ ย, ยกล่ามกับพยาบาทซึ่งเป็นการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนท่านอันหยาบแม้แต่จะเบียดเบียน วิหิงสาขนาดอ่อนเบาบางขนาดใดก็ต้องรู้ในตนอันนี้ต้องอธิบายกันพอสมควรเช่นอาตมากำลังดุดาว่าคนที่กำลังสอนอยู่เดี๋ยวนี้บางคนแล้วหาว่าอาตมาเบียดเบียนอาตมาไปว่าพระที่ท่านปฏิบัติผิดไปเบียดเบียนเขาทำไมอาตมาขอยืนยันว่าอาตมาไม่ได้เบียดเบียนอาตมาสงเคราะห์เขาบอกเขาให้รู้ตัวสอนเขาให้รู้ตัวแต่เขาก็ตีความว่า เขาไม่ชอบใจนี่อ้าวไม่ชอบใจนะ่ะเป็นกรรมกิริยาของคุณนะ่ะคุณไม่พิจารณาว่าควรชอบใจคนที่ชี้ขุมทรับให้หรือเปล่าหรือควรจะไปได้โกรธคนชี้ขุ้มรับให้แล้วคุณจริงไหมล่ะผู้มีจริงอัตมา ก, ก็ระบุชื่อเลยบางคนผู้ไม่ได้ระบุชื่อก็พูดกลางๆว่านี่เราคาว่าพระเป็นคํนนาค m m ม n noun เป็นคำทั่วไปเพราะฉะนั้นพระทําการเป็นที่ดีปลูกเสกอะไรอยู่อย่างงี้ไปการลดน้ํามอนต์อยู่อย่างงี้ไม่ดีอัตมา ก, ก็ติกลางๆ อาตมาเจตนาช่วยเขาแต่เขาไม่เข้าใจคําติอาตมาเขาเองเขาก็มาโกรธแค้นโกรธเครืองเอาอาตมาเขาก็สวยของเขาอาตมาเมตตาอาตมาเกื้อกูลอาตมาไม่ได้เบียดเบียนแม้อย่างนี้ก็เป็นแนวเชิงที่จะต้องเข้าใจและจะต้องอธิบายกันนะความจริงใจเป็นอย่างไรและมีจิตเจตนาอย่างไรที่สําคัญเราก็จะต้องรู้ความหมายที่ชัดแจ้งและเป็นจริงให้ได้นะ สำหรับวันนี้ไม่มีเวลาต่อเพราะจะนั้นยังเหลืออีก 2-3 เรื่องซึ่งเป็นเรื่องละเอียดสำคัญในข้อหลังๆเนี่ยก็เอาไว้โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอหมดเวลาแล้วพอเพียงเท่านี้สักก่อน